มีคนใหม่มาด้วยก็จะนำนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งนะจะได้มีความคุ้นเคยกันอ่าเริ่มต้นขึ้นมาเรานั่งกับเก้าอี้เนี่ยนะเอาเอามือวางบนตกักนะแล้วเอาเท้าวางราบกับพื้นนะขึ้นต้นมาอย่าจ้องลมหายใจอย่าพยายามที่จะบริกรรมพุทธโธอะไรทั้งสิน้นที่ถูกแล้วนะเพื่อที่จะให เกิดสมาธิได้ผลทุกครั้งที่ทำแล้วก็มีความพร้อมจะเป็นสมาธิได้ง่ายที่สุดเนี่ยร่างกายต้องมีความพร้อมไม่ใช่นะมีความตั้งใจพร้อมอย่างเดียวแต่ว่าทำอะไรไม่ถูกถ้าความตั้งใจพร้อมอย่างเดียวมันจะมีแต่อาการตั้งใจทำสมาธิมีแต่อาการตั้งใจสร้างสติแต่ไม่มีความพร้อมทางร่างกายไม่มีความพร้อมทางจิตใจ สิ่งที่มันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องเราแค่สำรวจดูสังเกตดูป่าเท้าตอนนี้มันเกร็งอยู่ไหมมันงออยู่ไหมมันงุ้มอยู่ไหมนะถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงเท้าเนะ น, นี่ยตอนเนี้ยมันมีสติเข้ามาที่ร่างกายแล้วมันมีสติเข้ามาเฉยเฉยไม่ใช่สติแบบเพ่งเล็งจะเอาอะไรแค่สํารวจสังเกตเฉยเฉยว่าร่างกายของเราเนะปย่าเท้าเนะี่ยมันเกร็งหรือมัน ง, งุมอยู่หรือเปล่าพอผ่อนคลายออกมาล้วก็รู้สึกสบายแล้วมันก็ได้สติเข้ามาที่ร่างกายเองด้วยจากนั้นมาดูว่าฝ่ามือที่วางอยู่กับหน้าตักเนี่ยมันผ่อนคลายมันสบายหรือว่ากรมหรือว่าเกรงอยู่ถ้าหากว่าทั้งเท้าทั้งฝ่ามือมันมีความผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันผ่อนพลกมันรีแลกซ์มาครึ่งตัว จากนั้นมา ส, สำรวจสังเกตนะว่าทั่วทั้งใบหน้าของเรามีอาการผ่อนคลายไหมหัวคิ้วขมวดไหมขมับตึงไหมนะถ้าหากว่ารู้สึกถึงอาการเกรง็งอาการขมวดอาการตึงที่ส่วนใดเรากา็ทำให้มันคลายแแค่วางเฉยๆแค่รู้สึกถึงอาการตึงอาการขมวดเนี่ยมันก็แทบจะคลายออกมาได้เองแล้วแต่บางคนมีปัญหานะคือมันตึงมานานมันขมวดมานาน ถึงแม้รู้มันก็ไม่คลายไม่จางสักทีอันนี้เราก็ค่อยๆไล่ค่อยๆสังเกตย้อนไปย้อนมาจากเท้าไล่ขึ้นมาที่มือไล่ขึ้นมาที่ใบหน้านะเราจะรู้สึกเลยว่าผ่อนคลายทั้งตัวมันเป็นยังไงสบายทั้งตัวมันเป็นยังไงสบายจากอาการที่ไม่เกร็งนั่นเองสบายจากอาการที่มีสติรู้เข้ามาในกายแล้วเกิดความรู้สึกว่า ร่างกายเนี่ยนะถ้าหากว่ามันเกรง็งถ้าหากว่ามันตึงมันเป็นอาการตึงมันเป็นอาการเกร็งอย่างศูนย์เปล่ามันไม่เหมือนกับการที่มีสติรู้ถึงร่างกายแล้วก็เกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาอย่างนั้นมันมีประโยชน์กว่ามันมีสติมันมีความพร้อมที่จะใช้ร่างกายเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อเรารู้สึกถึงความพร้อมทางกายนะจากนั้นเนี่ยเราก็ดูความพร้อมทางใจ ความพร้อมทางใจหมายถึงยังไงหมายถึงมีความพร้อมที่จะสังเกตรู้ว่าร่างกายถึงเวลาลากลมเข้าหรื อ, อยังนะถ้าหากว่าถึงเวลาลากลมเข้ามันจะรู้สึกขาดนะออพอรู้สึกว่าร่างกายขาดลมหมายใจแล้วเราลากเข้ามามันก็จะรู้สึกสบายสดชื่นเเข้ามาสุดนะมันก็พร้อมที่จะะบายออกพอะบายออกจนสุดนะจะมีช่วงเวลาอยู่พักหนึ่งที่ มันไม่ต้องการลมหายใจเข้าทันทีอยู่นิ่งๆว่างๆสบายๆก็ได้นั่งนั่งตรงๆสบายๆโดยไม่มีลมหายใจเข้าออกก็ได้นี่มันจะสังเกตรู้อย่างนี้มันจะเห็นอยู่อย่างนี้นะอาการเห็นอยู่อย่างนี้จะทำให้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องพยายามไม่ต้องบังคับปืนลมหายใจทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่อยากจะเข้าก็ไปเร่งให้มันเข้าอย่างนี้มันไม่เกิดสมาธิหรอกมันเกิดแต่ความอยากเกิดแต่ความทุรนทุราย เกิดแต่ความรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าหากว่าจิตของเราอยู่ในอาการพร้อมรู้พร้อมสังเกตอยู่ว่าเมื่อไหร่ลมหายใจถึงเวลาเข้าเมื่อไหร่ลมหายใจถึงเวลาออกอย่างนี้ในที่สุดมันก็เกิดสติสติจริงๆสติในแบบที่จะทําให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นลักษณนะความตั้งมั่นเนี่ยนะก็คือใจที่มันสบายอยู่คงเส้นคงวาแล้วก็สังเกตรู้ว่าเดี๋ยวลมหายใจก็เข้าเดี๋ยวลมหายใจก็ออก ไอ้ตรงนี้แหละถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะปึกอาณาปานสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนได้อาณาปานสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นยังไงคือไม่ใช่จับจ้องอยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะไอ้อาการที่มีความพร้อมมีความสามารถจะรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องเป็นแค่ต้นทางนะเป็นแค่ก้าวแรกของอาณาปานสติเท่านั้น สิ่งที่เป็นอาณาปานสติอย่างแท้จริงคือเรารู้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะว่าเดี๋ยวลมก็เข้าเดี๋ยวลมก็ออกมันไม่ได้มีความอยากผสมเข้ามานะปกติเวลาคนนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีความอยากผสมเข้ามาอยากจะรู้ลมหายใจเข้าชัดๆอยากจะรู้ลมหายใจออกชัดๆ พอมีความอยากผสมเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่อาณาปานสติแล้วมันเป็นอาการบังคับอาการฝืนใจนะเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิมันก็ไม่เกิดสักทีแต่ถ้าหากว่าเรารู้เราดูอยู่ว่านี่มันเข้านี่มันออกเนี่ยสมาธิต้นทางของสมาธิมันเกิดแล้วนะพอเกิดแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันเป็นอาณาปานะสติแท้ๆยังไงก็คือว่าเราเห็นอยู่ด้วยใจที่มันปราศจากความอยาก ว่าเดี๋ยวลมก็เข้าเดี๋ยวลมก็ออกเดี๋ยวลมก็เข้าออไอลมที่เข้าเดี๋ยวลมก็ออกนั่นแหละนะบางทีมันก็ยาวบางทีมันก็สั้นช่วงแรกๆเนี่ยนะเราลากลมยาวได้รู้สึกสดชื่นแต่ถ้าหากลากยาวยาวยา ว, ยาวตลอดด้วยความอยากเนี่ยมันจะรู้สึกอึอดอัดนั่นแสดงว่าร่างกายเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมา มันต้องการทั้งลมเข้ายาวแล้วก็ลมเข้าสั้นสลับกันมันไม่เที่ยงนะขึ้นอยู่กับไอความต้องการของร่างกายอันเป็นธรรมชาติของปอดนะถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่อย่างนี้แล้วไม่เปคาดคันจะเอาแต่ลมหายใจยาวอย่างเดียวมันก็เกิดความเห็นขึ้นมาว่าเออธรรมชาติของลมเดี๋ยวมันก็ต้องสั้นเดี๋ยวมันก็ต้องยาวสลับกันเป็นธรรมดา พอเราเห็นด้วยใจที่มันสะอาดปรธาศจากความอยากอยู่อย่างนี้มันก็เกิดสมาธิขึ้นมาอีกแบบหนึง่งสมาธิเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจเดี๋ยวก็เข้า <irt> เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นสมาธิที่มันเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจอยู่อย่างนี้เนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้แบบอ่อนๆผู้รู้ว่าเออสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาด้วย ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกไม่ว่าจะเป็นภาวะลมหายใจยาวหรือภาวะลมหายใจตั้นมันมีความตั้งมั่นรู้อยู่แล้วณนะความตั้งมั่นรู้อยู่แบบนี้แหละที่เอาไปใช้จเจริญส ต, ติในชีวิตประจำวันต่อได้นะไม่ว่าเราจะหลับตาไม่ว่าเราจะลืมตาถ้าหากว่าจิตมีความตั้งมั่นรู้อยู่อย่างนี้เนี่ยในที่สุดแล้วนะมันก็กลายเป็นปัญญา มันกลายเป็นสมาธิกิจที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยย่อมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้มันจะไปบวกกับสัมมาทิฏฐิคือทําความเข้าใจไว้ก่อนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคล อาการที่จิตมันรู้เริ่มรู้ขึ้นมาเนี่ยนะก็คือจิตมีความรู้สึกว่าไม่มีหน้าตาไม่มีมโนาภาพเกี่ยวกับตัวตนเหมือนกับที่ผ่า น, านมาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฝึกรู้ไม่ฝึกดูนะมันจะมีมโนาภาพผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามีอาการปรุงแต่งของจิตผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาว่านี่เป็นเรานี่เป็นเรามีเราอยู่แน่ๆมีมโนาภาพของชายมีมโนาภาพของผู้หญิงนะ ยืบางคนเนี่ยก็คงเคยผ่านประสบการณ์มานะถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ชายนะไม่ได้มีความเบี่ยงเบนทางเพศก็จริงนะแต่ว่าอพอเมื่อไหร่เกิดความรู้สึกอ่อนแอเกิดความรู้สึกบวกเกลียบมันบางทีนะมีมโนภาพแบบผู้หญิงผุดขึ้นมาคล้ายๆกับตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิง ก, ก็ตามร่างกายเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถึงแม้ว่าะจะเกิดมานะมี ทุกอย่างเนี่ยโดยความเป็นหญิงผมยาวอะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าหากเมื่อไหร่ที่เข้มแข็งขึ้นมาก็รู้สึกว่าเราก็ไม่น้อยหน้าผู้ชายมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามนโนภาพภายในเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความตรงมีความเ อ, อเป็นหลักให้ตัวเองได้ไม่ต่างกับผู้ชายนี่แสดงว่าจิตเนี่ยนะคือมันถูกตรุงแต่งไปตามอารมณ์บางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นผู้หญิงบางทีก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ชาย ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยอารมณ์ที่แข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอมีความรู้สึกว่าอ่อนโยนหรือว่ามีความรู้สึกว่าแข็งกร้าวนะบางทีนะที่มันจะสมดุลที่สุดในเพศของตัวเองเนี่ยมันก็คือจุดที่เรารู้สึกว่ามีความสามารถที่จะรับรู้อะไรตามที่มันเป็นจริงได้นะะแต่ถ้าหากว่ามันแข็งเกินไปบางทีมันก็รู้สึกว่า ก้ากระด้างแต่ถ้าอ่อนเกินไปมันกลายเป็นบวกเปียกนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนจากอารมณ์ที่นะมันปรุงแต่งโดยไม่มีทิศทางนะรู้สึกบางครั้งเป็นชายบางครั้งเป็นหญิงเนี่ยมันมันเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ที่ทําให้เกิดพุทธทิปัญญาเช่นเห็นลมหายใจเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็ตันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะ มนโนภาพเกี่ยวกับความเป็นชายมนโนภาพเกี่ยวกับความเป็นหญิงมันจะหายไปมันเหลือแต่จิตว่างๆจิตโล่งๆแล้วก็ลมหายใจที่มันพัดเข้าพัดออกเป็นธาตุลมที่พัดเข้าพัดออกไม่ก่อให้เกิดมนโนภาพหญิงหรือชายไม่ก่อให้เกิดมนโนภาพว่าหน้าตาเป็นยังไงหล่อสวยหรือว่าดูไม่ดีนะจะเป็นคนอ้วนคนผอมอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปมนโนภาพเหล่านั้น มันกลายเป็นความรู้สึกว่างๆว่างจากมโนภาพว่า ง, จ า, าางจากตัวตนรู้สึกอยู่แต่ความจริงที่ลมหายใจมันแสดงอยู่ตลอด24ชั่วโมงคื อ, อมีอะไรอย่างหนึ่งเข้ามามีอะไรอย่างหนึ่งพัดออกไปกับความรู้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยตัวนี้แหนละที่เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธทิปัญญาจุดเริ่มต้นของจิตที่มันรู้ที่มันว่างปราศจาก หน้าตาตัวตนปราศจากเพศอันนี้แหละที่ท่านสรุปว่าจิตเนี่ยไม่ไม่มีเพศนะที่มันเกิดเป็นเพศขึ้นมาก็เพราะว่าอารมณ์รงแต่งไปต่า ง, า ง, างๆนานาเอาละเมื่อเราสามารถที่จะดูเข้ามาที่อาการของใจนะที่มันปราศจากความมีตัวตนอย่างน้อยสักแว บ, บหนึ่งนะะ ขอให้จำไว้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจิตหลุดพ้นชั่วคราวชั่วขณะจิตหลุดพ้นจากอาการที่มีความตรุงแต่งไปว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นชายเป็นหญิงมีแต่ความเป็นจิตที่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวว่ามีตนนะลัณนะความปรุงแต่งแบบนี้เป็นของชั่วคราวเช่นกันเวลาที่มันเกิดปรากฏการเวลาที่มัน มีอาการทางธรรมชาติของจิตขึ้นมาอย่างอย่างไหนพิดารณแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้ดูง่ายๆแค่นี้แหละว่าจิตยึดหรือไม่ยึดถ้ายึดมันจะมีอาการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมโนภาพตัวตนแต่ถ้าไม่ยึดนะมันจะรู้สึกว่างๆลงๆแล้วก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ดู อยู่ตลอดนะขยันขยอให้ดูมากที่สุดในโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือลมหายใจที่มันแสดงอาการไม่เที่ยงอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงดูเมื่อไหร่จะชั่วโมงไหนนาะทีใดนะมันเห็นอยู่ตลอดว่าลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงอยู่เสมอเอาละนะอันนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิแบบง่ายๆอ่าถ้านั่งต่อได้ก็นั่งไปนะ อทีนี้จะมาไล่ทีละคนเออก็ส่วนใหญ่ก็ทำเงินได้นะส่วนใหญ่จะเหมือนกับทํําทาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็ดีถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงความว่างรู้สึกถึงความสว่างในแบบพุทธิปัญญาได้มันจะมีกําลังใจว่าเออจริงๆแล้วที่จะทําได้หรือทําไม่ได้มันมีอยู่แค่นี้แหละว่าเรามองตรงหรือมองไม่ตรงมองถูกหรือมองไม่ถูกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะ มาเริ่มคำถามกันเลยก็แล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่รู้สึกว่าจิตมันเอที่ที่มันมีเป็นความเออเนีน่ยนะที่มันที่มันรู้สึกสะอาดว่านะอนนั่นเป็นตัวอย่างของผู้ทปัญญาอย่างหนึง่งที่ที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีมโนภาพมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความความเห็นว่เออ ลมหายใจมันกําลังแสดง ค, ความไม่เที่ยงอยู่เ พ, พราะว่ามันไอตรงเนี้ยคือคือตัวที่ครับ ค, ค, คือตัวที่มันเป็นสมถะเนี่ยหมายความว่าไม่มีกิเลสครับแต่ตัวที่เห็นอยู่ว่ามันกำอ่งลมหายใจกําลังแสดงความไม่เที่ยงอย่างนี้คือปัญญาอ๋อครับอย่างนี้คือวิปัสสนาครับมันเป็นจุดเริ่มต้นนะนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็คือเริ่มมาจาก จุดอะไรที่มันเห็นได้ง่ายๆอย่างนี้แหละคงต้องวางแผนกันไป <laughs> อันนี้อันนี้ยังมีคนนั่งอยู่ข้างนอกเยอะก่ะไม่ไม่มีใช่ไหมก็จะมากันอย่างนี้ออพอพอเรามีตัวอย่างของพุทธิปัญญาหรือพุทธิจิตนะตอนตอนที่มันคือสว่างเนี่ยมันเป็นแค่อาการผิวนอกนผิวนอกของปัญญา มันไม่ใช่ตัวปัญญา ค, คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าตรัสนะที่เป็นปัญญาแท้จริงคือความสว่างแต่ว่ามันเป็นปลายปลายทางต้นทางเนี่ยคือเราเห็นกำลังเห็นอยู่ว่าอันนี้จังแสดงตัวแล้วเราก็ไม่เกิดมโนภาพยังเมื่อกี้เนี่ยจะรู้สึกว่าใจมันสะอาดนะคือคือเราเราดูกันที่ความว่างเนี่ยว่างจากอะไร ว่างจากไอ้ความรู้สึกปรุงแต่งว่างจากอาการยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นเราจะต้องเป็นเขาอะไรต่างๆนะลักษณะของจิตแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนทำเองนี่เกิดเกิดอย่างนี้ขึ้นบ่อยไหมก็ก็บ่อยครับคือบางทีก็เริ่มต้นมันก็เกิด แต่ว่าถ้าถ้าตั้งใจทำมันก็ไม่เกิดครับถ้าจงใจกจงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงใจก็จงในก็จงใจก็จงใจกัจงแต่็จงใจก็จถ้าเก้าแรกไม่ใจพ็จงใจกญจงใกาสที่มันจะเป็นพุทธิปัญญาจะยากครับแล้วขใจก็งพุทธิปัญญาจําไก็เลยคือไม่คาดหวังแต่ยอมรับตามจริงครับตั้งแต่เริ่มต้นถ้าก้างใก เราไม่คาดหวังนะยอมรับตามจริงไปนะมันจะมีโอกาสสเตปบายสเตปนะไปเรื่อยๆแบบเมื่อกี้เนี่ยนะขึ้นต้นมาเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงแต่ก่อนจําได้ตอนตอน <จะ S 2> มานแรกๆเนี่ยมันจะคาดหวังต่างๆนะนะนะมันจะเอาให้ได้เดี๋ยวนี้นะจะเอาทั้งสมถะจะเอาทั้งวิปัสนาจะเอาทั้งมรรคผลให้ได้เดี๋ยวนี้นะมันมันกลายเป็นความอยากครอบงำยิตใจไปหมด มันไม่มีไอ้ตัวยอมรับเลยมันไม่มีตัวเห็นความจริงมันมีแต่เห็นตัวหลอกตัวตัวที่มันอยากไปต่างๆนั่นนะแล้วก็แล้วก็จะไปยึดอยู่ตรงนั้นนะไปยึดอยู่แค่นั้นเราจะไปต่ อ, อยังไงครับพี่ต็ถ้าถึงตรงนี้เนี่ยเวลาอยู่ระหว่างวันเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกวางขึ้นมาเองอยู่แล้วอันนี้คือประโยชน์ของการนั่งสมาธิ ในแบบอาณาบาลนสติของมัทธเจ้า ค, คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งได้ในขณะที่หลับตาเวลาที่อยู่ในระหว่างวันบางทีมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเอยอมันว่างไปแต่แต่ถ้าหากว่างโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็อาจจะหายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นกันนะเราต้องมีสติไวล่วงหน้าดูไวล่วงหน้าว่าขณะนี้จิตมันว่างไปชั่วคราวว่างจากความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่างจากตัวตนนะ เราก็ต้องดูต่อว่าอาการที่มันไม่ว่างแล้วมันกลับมาเมื่อไหร่มันมันจะกลับมาตอนที่เราเผลอนั่นแหละตอนที่เราไม่รู้นั่นแหละทีนี้มันมันต้องมีจุดสังเกตถ้าหากว่าไม่มีจุดสังเกตมันก็เหมือนกันหลุดแล้วหลุดเลยครับจุดสังเกตง่ายๆก็คือถามตัวเองว่าในขณะที่เรากําลังออย่างปกติเราจะทํางานกันเนเวลาที่มันเกิดความรู้สึกว่างขึ้นมา นะอันนี้พูดถึงคนที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคือพอทําอาณาปานาสติไปเนี่ยอันนี้ยำ้ำย้ำนิดนึงนะทำอาณาปานาสติไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าได้ผลเกิดความรู้สึกว่าใจมันสะอาดมันแห้งจากความรู้สึกในตัวตนขึ้นมาได้ชั่วขณะเนี่ยในระหว่างวันมันจะมีไอความรู้สึกแบบเดียวกันนี้ขึ้นมา อยู่เรื่อยๆของของเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาให้ให้บอกตัวเองช่วงแรกๆต้องบอกตัวเองว่าอย่างนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้นชั่วขณะหลุดพ้นจากอุปทานชั่วขณะพเพราะเห็นอยู่รู้อยู่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาตัวนี้แหละที่มันมันเรียกว่าพุทธิปัญญาเนะีเมื่อเราสามารถจําแนกได้ว่าจิตแบบนี้จิตที่มันแห้งสบายแบบนี้เนี่ย ไม่ไม่ใช่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตหลุดพ้นชั่วคราวเมื่อเกิดความยึดมั่นขึ้นมาในขณะจิตหลังจากนั้นมันจะเปรียบเทียบได้ถูกมันจะรู้สึกว่ามีมโนภาพมีความยึดมั่นถือมั่นมีความปรุงส้างหรือว่าปรุงแต่งเป็นเราเป็นเขาขึ้นมานะช่วงแรกๆมันจะรู้สึกว่าดูไปไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เมื่อเกิดการเปรียบเทียบ ว่าจิตแบบนี้แห้งสบายจิตแบบนี้ยึดมั่นถือมั่นกลับมารู้สึกสกรปรกได้อีกตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมันมีแค่การเปรียบเทียบบู้บู้บา้าบ้าแต่ถ้าเปรียบเทียบบ่อยจริงๆมันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความแหง้งสะอาด จ, จากอุปทานบ่อยขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหมตอนตอนแรกเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีมันไม่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบพลุกๆุมันจะอาจ มันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะแต่พอเราสังเกตว่าจิตแบบนี้แห้งสบายจิตแบบนี้มันกลับมาหมักหมมได้ใหม่จิตแบบนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเปิดออกจิตแบบนี้กลับมายึดนะพอสังเกตไอ้ตัวการสังเกตนั่นแหละที่จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่างขึ้นมาได้บ่อยๆแล้วว่างเนี่ยนะมันจะมีว่างหลายแบบว่างแบบ นานนะว่างว่างแบบเหมือนกับไม่ไม่ยึดมั่นหรือมั่นอะไรมีส ต, ติอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลาหลายนาทีนะฮะกว่างขึ้นมาแค่ว๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเนี่ยเราสังเกตอยู่อย่างนี้แค่สังเกตอยู่อย่างนี้เรียกว่าเห็นความจริงทางจิตที่บางครั้งมันก็หลุดพ้นชั่วขณะบางครั้งมันก็กลับมายึดใหม่กลายเป็นความปรุงแต่งแบบเดิมๆนะนี่พอ อันนี้พูดเฉพาะกรณีนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เห็นทาได้นะก็ก็เลยพูดอย่างนี้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยคือมันไม่ใช่อยู่ๆจิตมันจะเกิดความว่างความสะอาดขึ้นมาเมื่อกี้เท่าที่ดูหลายคนทำได้นะมันน่าจะหลายคนที่ทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็ดีเพราะว่าเนี่ยหน้าเดิมๆก็ดูของเราก็ดูก้าวหน้าขึ้นนะถ้าหากว่า ไปทำบ่อยๆเอานาปานสติแบบที่ผมไกด์ไปเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าระหว่างวานันอยู่ๆจิตมันเกิดความปล่อยวางเกิดความคลายเกิดความรู้สึกไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาขอให้สังเกตดูอย่างกรณีที่ผมพูดไปก็แล้วกันนะออของเราเมื่อกี้มันมันก็มีช่วงที่มันแห้งไว้บ้างนะแต่มันก็มีความปรุงแต่งมันมันจะ ค่อนข้างเพราะจิตเราของเราเนี่ยเดิมมันปรุงแต่งมากนะแต่นิดน้อยลงเยอะนะคือคือน้อยลงกว่าที่เจอข่าวแรกอะไอ้ข่าวแรกนี่คือมันเต็มไปด้วยความพรุงแต่งมั่วไปหมดเลยอคือเป็นเหมือนกับของเราเป็นพวกปรุงแต่งแะยึดแรงแต่เนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้จะรู้สึกได้ถึงอะไรที่มันสลับกันระหว่างปล่อยแต่กลับมายึดนะ พ อ, พอปล่อยเนี่ยมันปล่อยแป๊บเดียวแล้วมันกลับมายึดแล้วเสร็จแล้วพอมาดูลมมันก็เหมือนกันปล่อยได้อีกอย่างนี้ดีเหมือนกันมันมีข้อดีตรงนี้ว่าเราสามารถสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างจิตที่ยึดกับจิตที่ปล่อยชั่วคราวชั่วขณะถ้าหากว่ามันปล่อยนานเกินไปบางทีเราก็ไม่รู้จะดูอะไรนะแต่ถ้าหากว่ามันปรุงแต่งมีอาการยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้จะ สังเกตข้อเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างจิตแบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งได้ยังไงการที่มันมีสลับสลับกันในช่วงต้นๆเนี่ยของเราก็ทำมานานแล้วแหละคือเราก็ดูไปเรื่อยๆอะนะแต่เป็นเป็นการดูที่อาจจะมันค่อยๆเอาวิธีการปรุงแต่งทางจิตแบบเก่าๆออกไปเยอะพอสมควรแล้วดูดูตรงเนี้ยที่มันมีการปรุงแต่ง ยึดมันถือมันเหมือนมีเหมือนมีตัวเราเหมือนมีไอ้มโนภาพอะไรแบบหนึง่งที่เอรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมันมีความเวลาที่ปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งเป็นเอเป็นมโนภาพขึ้นมาเนี่ยพอจะเห็นความแตกต่างได้ไหมระหว่างไม่มีมโนภาพกับมีมโนภาพนึกออกใช่ไหมเพราะมันชัดตอนที่มันมันไม่มีมโนภาพอ่ะมันว่างไปแป๊บหนึง่งแล้วมันกลับมามีมโนภาพใหม่ มันมีความรู้สึกว่า น, นี่เรามีตัวเรามีความคิดนําขึ้นมาคิดแบบฟุ้งๆยุ่งๆแล้วก็มีไอ้ตัวตนแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่านั่นะคือมโนภาพของเราแล้วพอกลับมาดูลมหายใจใหม่แป๊บหนึ่งมันก็จ ะ, ออะกลับมาว่างนะเวลาดูเวลาสังเกตเนี่ยในชีวิตประจําวันก็สามารถสังเกตแบบนี้ได้เหมือนกันนะโอเคคําถามมีคําถามอะไรไหมถามก็ เกี่ยวกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันครับก็ ค, คือผมก็ทาําไปแต่ว่าก็ไม่รู้จะเน้นจุดไหนเพิ่มหรือว่าเนี่ยเอาเอาที่พี่ว่าเนี่ยเหมือนไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่มันจะว่างไปแวบหนึง่งว่างแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาปรุงแต่งใหม่เราเราดูตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีงานทําถ้าหากว่าไม่มีไออะไรที่ต้องต้องจดจ่อเป็นพิเศษเนี่ยนะก็มาดูว่างๆก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกัน คือสังเกตลมหายใจเฮือกสองเฮือกไม่ต้องหลับตาก็ได้ในชีวิตประจําวันนะถ้าเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่างๆคลายๆขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าสภาพของจิตเนี่ยมันมีอาการไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีอาการโลง่ลงๆเห็นแต่ความไม่เที่ยงของลมหายใจชั่วขณะหนึ่งแล้วพอมันรู้สึกกลับไปปรุงแต่งเป็นปุ้งยุ่งยุ่งใหม่นะแล้วก็รับรู้ไปว่าจิตมันแตกต่างกันยังไงเห็นสลับไปสลับมาอย่างเนี้ยนะ แล้วตอนแต่ตอนทำงานเนี่ยคือเราก็แล้วก็โอเคใช่ไหมคือก็มีสติกับโฟกัสกับงานดีใช่ไหมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นงานที่เป็นรูทีนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเขาจะไม่น่าเบื่ออ่คือคือเราถ้าเรามีความสนใจมีโฟกัสจริงเนี่ยส่วนใหญ่สติมันก็จะไปกับงานได้ดีครับ <c oughs> แต่แต่ถ้าเบื่อมันก็จะ เราเป็นคนขี้ราคาญคือเหมือนกับพอไม่ชอบหรือไม่โฟกัสแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่อยากจดจ่อแล้วความผงซ่านมันก็เข้ามาได้ง่ายตรงนั้นก็ได้ลักษณะของลักษณะของความเป็นรู้สึกไหมว่าตัวเองเป็นคนขี้รําคาญเดี๋ยวเออคื อ, ค, อคือพอเรารู้สึกได้ถึงความเป็นคนขี้รําคาญเนี่ยนะ มันใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเวลาที่จิตไม่อยากจะไปจดจอ่อไม่อยากโฟกัสอยู่กับอะไรมันจะมีอาการาไม่ไม่รวมไม่นิ่งไม่สามารถที่จะ อ, อยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้นานเพราะว่ามันมันอยากไปจดจ้องอย่างอื่นมากกว่าหรืออยากจะหนีจากไอ้ภาวะตรงหน้าการงานตรงหน้ามากกว่านอันนั้นเป็นความพรุงแต่งแบบ เขาเรียกว่าฟุงซ่านอุทธจจะเป็นอุทจจะนะเป็นตัวความรู้สึกลำคาญใจเราก็ดูได้เหมือนกันว่าความลำคาญใจเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่สามารถดึงดูดใจเราได้พอเห็นว่าเออนั้นเป็นไอความลำคาญใจนะในที่สุดมันก็จะเหลือแต่ไอความมีสติรู้ว่าความลำคาญใจนั้นนหะ มันเกิดขึ้นในช่วงขณะที่เราไม่ไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าเรารู้ตัวลำคาญใจมันก็เป็นสติชนิดหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเราเห็นตัวํำคาญใจนั้นหายไปมันก็จะเหมือนกับโฟกัสกลับมาอย่างน้อยกลับมาที่ใจใจที่ปราศจากความลำคาญใจเข้าใจที่พี่พูดไ่มเข้าใจนะเพราะไอ้อพอย์คือว่าเราเห็นเราเอาตัวความลำคาญใจมาใช้นะ เห็นความแตกต่างระหว่างเห็นความแตกต่างระหว่างรำคาญใจกับความมีสติรู้ว่าความรำคาญใจเป็นแค่ภาวะพรุงแต่งชั่วขณะหนึ่งพราะถ้าเกิดผมดูหายใจบางทีก็ดูอินทยาบทบางทีจะดูอะไรก็แล้วแต่สังเกตเข้ามาที่ใจว่ามันยังมีอาการยึดไหมนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ชี้ให้ดูว่าใจมันว่างไปชั่วขณะหนึ่งเข้าใจใช่ไหมว่าพูดถึงภาวะแบบไหน ที่มันรู้สึกโล่งๆที่มันรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มี้ความยึดมั่นหรือมั่นเหมือนกับปล่อยไปเฉยๆเห็นแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยช่วงขณะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีคือเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะสังเกตถูกว่าจิตที่มันไม่มีความยึดจุดที่มันไม่มีความฟุ้งซ่านหน้าตามันเป็นยังไงแล้วพอ เราไม่ว่าจะดูลมหายใจดูออริยาบทอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าจำจิตแบบนี้ได้แล้วจิตแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ใช้เป็นตัวตั้งในการรับรู้เปรียบเทียบสังเกตนะตอนที่ว่างกับตอนที่ว้าวุ่นหน้าตาความแตกต่างของจิตมันเป็นยังไงดูอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่าเข้ามาถึงจิตแต่ถ้าหากว่าเราดูลมหายใจหรือว่าเริยาบทอะไรก็แล้วแต่แล้วเข้ามาถึงจิตไม่ถูก คือไม่รู้จะจับจุดสังเกตอาการของจิตตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะดูลมหายใจอย่างเดียวดูแต่เปลือกนอกดูแต่ความไม่เที่ยงภายนอกซึ่งมันเป็นของผิวผิวมันมันไม่ค่อยสะ ก, กิดไอตัวความรู้สึกยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเท่าไหร่แต่ถ้าลงมาถึงจิตลงมาถึงความรู้สึกว่าเออเนี่ยจิตมันเปลี่ยนจิตมันไม่เหมือนเดิมได้ไอ้นี่แหละที่มันจะเริ่มรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าไม่มีเรานะก็ สรุปคือเน้นดูความแตกต่างดูดูอะไรกันแล้วแต่ขอให้ลงมาถึงใจครับนะความแตกต่างของใจความแตกต่างของจิต อ, อ๋อแล้วขออีกคำถามหนึ่งนะคือบางทีผมทําอย่างนี้ถ้าเกิหลับตามันจะมันลักษณะเหมือนกับตอนก่อนที่ขณะของใจเหมือนปล่อยว่างๆเหมือนก่อนจะนอนสักพักหนึ่งมันจะอาจจะหลับหรือหลับใน่างนี้แต่ว่าลืมตาลืมตาในความมืดอย่างเงี้ยเหรอ ตอนก่อนนอนเลยไม่เวลาทำแบบทาในรูปแบบหรือว่าในก็ ใ, น ใ, นใจแล้วก็แต่ว่าไม่หลับตาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลับไป อ, อย่างงี้เขาเอาไว้แล้วก็สังเกตดูดแล้วกันว่าตอนที่ดูแบบนี้เนี่ยอาการทางใจมันแข็งแข็งอยู่หรือว่ามีความรู้สึกว่างๆสบายๆถ้าว่างๆสบายๆายไปว่ารู้มีสตินะ แต่ถ้ามันแข็งแข็งแปลว่าเราตั้งใจมากเกินไปมานั่งเชิญเชิญตรงนี้ก็ได้ฮะเดินเดินมาเลืออ๋อโอเคคือบางทีเนี่ยเราสังเกตอย่างนั้นนะฮ อ, อจะลืมตาหรือหลับตาก็แล้วแต่แล้วเกิดความรู้สึกว่ามันฝืนฝืนนี่เรียกว่าจิตแข็งแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันสบายสบายมันมีความรู้สึกปลอดโปร่องอันนี้เรียกว่ามีสติเป็นข้อสังเกต ง, ง่ายๆ ปอดโปง่งบางทีมันระหว่างปอดโป่งแบบมีสติกับบางทีแบบปอดโป่งแบบเหมือนมี ค, มคลื่โมหะนิดหน่อยอะไรแยกไม่ออกว่าจะดูยังไงรหรือว่าจ ะ, ะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงประมาณนั้นนะครับอย่าไปพยายามทำให้มันดีขึ้นแต่สังเกตข้อแตกต่าง ไอ้ตอนที่เรารู้สึกเหมือนแบหลงวน ๆ, ๆอยู่นะอยู่ในอาการแข็งๆอยู่ในอาการที่มันไปไม่ถูกจำไว้ว่าลักษณะจิตมันเป็นยังไงดูไปสักสองสามลมหายใจคื อ, ค, อคือรู้สึกถึงลมหายใจประกอบไปด้วยมันจะได้มีเครื่องเปรียบเทียบว่าลมหายใจนี้มันแข็งๆมันไปไม่ถูกอาการของจิตหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราอยู่ในอาการยอมรับตามจริงนั่นแหละนะว่า ออมันแข็งแข็งมันเป็นลมหายใจที่ดูไม่ถูกนะดูดูไม่ถูกไปไม่เป็นแต่ลมหายใจต่อมามันยังเหมือนเดิมไหมคือยอมรับตามจริงเลยนะว่าระหว่างลมหายใจแรกกับลมหายใจที่สองเนี่ยมันเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็ยอมรับว่าเหมือนเดิมถ้าลมหายใจที่สองเรายอมรับตามจริงอยู่นะปกติแล้วนะลมหายใจที่สา ม, มันจะเริ่มเปลี่ยนให้เห็นละนึกออกไหมคือลมหายใจแรกไปไม่ถูกมันรู้สึกวนวน ลมหายใจที่สองมันยังวนๆอยู่มันยังพุ้งสร้างอยู่มันยังไปไม่ถูกอยู่แต่พอลมหายใจที่สามเนี่ยด้วยอาการยอมรับตามจริงเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคืออาการวนๆมันจะเริ่มคลายเนื่องจากจําไว้เลยนะเป็นคีย์เวิร์ดนะถ้าเรามีอาการของสติประกอบกับจิตเกินกว่าสองลมหายใจขึ้นไปลมหายใจที่สามเนี่ยมันจะเริ่มแสดงความไม่เที่ยงไออาการทางใจเนี่ยนะ อาการของสติจําไว้เลยนะว่ามันจะาสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้สติกำลังเห็นอะไรอยู่ก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะแสดงความไม่เที่ยงออกมาให้เห็นในล ม, ลมหายใจที่สามคือบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่ามันเปลี่ยนมากพอที่จิตจะรู้สึกว่าเออมันต่างไปแล้วแล้วการเห็นว่ามันต่างไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรพิเศษนะมันเหมือนกับต่างไปแค่นิดเดียว แต่ถ้าหากว่าเรามีความเคยชินที่จะรู้สึกถึงความต่างลรหมหายใจที่สี่เราหายใจที่ห้าเนี่ยมันจะเห็นว่ามันต่างไปอีกมันต่างไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ต่างไปในทางที่ดีขึ้นกับดีขึ้นอย่างเดียวนะบางครั้งมันอาจจะวกกลับมาแย่ลงใหม่แต่เราไม่แคร์เพราะจิตมันถูกปรุงแต่งให้เป็นสติยอมรับตามจริงอยู่จิตที่ถูกปรุงแต่ง ให้มีอาการยอมรับตามจริงอยู่เสมอเสมอไม่ใช่จะเอาอย่างใจไม่ใช่จะเอาอย่างอยากนะจําไม่เลยว่าแต่ละลมหายใจที่คืบหน้าไปคือสติที่เพิ่มขึ้นเสมอไม่ว่าภาวะทางใจจะแย่ลงหรือจะดีขึ้นก็ตามนะแต่ตัวสติจะพัฒนาขึ้นเสมออโอเคนะขอโอกาสให้คุณตุนแนะนําด้วยอะค่ะตอนนี้รู้สึกมันมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยดีกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะนะ สิ่งที่เป็นปัญหาในการภาวนาตอนนี้นะคะก็คือสมมุติเวลาเราทําในสิ่งที่มันเป็นกุศลอย่างเช่นฟังธรรมหรือว่าสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีะมะมอ่าเขาเรียกว่าอะไรความคิดอกุศลหรือ ม, มีอะไรที่เขา้าอันนั้นแต่ก่อนเป็นอกุศลเยอะกว่า น, นี้ตัง้งตั้งมากเนี่ยเราก็เห็นอยู่อันนี้มันค่อยๆละลายไงคืออย่าไปคาดหวังว่าเราเปลี่ยนจากคนมองอะไรแง่ไม่ดีกลจะต้องแบบดี เป็นตรงกันข้ามทันทีอย่างเงี้ยนะมันมันค่อยๆปรับโครงสร้างทางความคิดปรับโครงสร้าง ต, ตอนนี้เนี่ยจิตวิญญาณนะั้นสะอาดขึ้นเยอะมีความสว่างมียิ่งสว่างเท่าไหร่จาไม่เลยนะมันยิ่งเห็นความคิดไม่ดีชัดขึ้นเท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเต็มเต็มด้วยความคิดไม่ดีเนี่ยจิตมืดอยู่มันมองไม่เห็นมันเหมือนกับว่าเป็นปกติเหมือนกับว่าเราไม่ได้คิดไม่ดี เหมือนกับเราไม่ได้อะไรมากมายแต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันสว่างขึ้นมาจิตมันมีความเป็นกุศลหรือโน้มเอียงไปในทางความเป็นกุศลดยมากเนี่ยนะพอมีไอ้จิตอกุศลพูดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนเหมือนกับเราทำความสะอาดพื้นที่ นะเอาปัดอยากย่อยปัดไอเศษอะไรโกโครกออกหมดแล้วเนี่ยพอมีอะไรโสกรก8เปื้อนเข้ามานิดเดียวเนี่ยมันสามารถเห็นข้อแตกต่างได้ทันทีระหว่างสะอาดกับสกปรกนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจแต่ขอใหบอ้บอกตัวเองว่าดีแล้วทํามาถูกแล้วได้ที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยถ้าเรารู้สึกแล้วก็ยอมรับตามจริงได้ว่ามันเป็นอกุศลจิตเป็นความคิดไม่ดีบอกตัวเองไม่เลยว่าไม่บาปแล้วนะ ทันทีที่เห็นความคิดไม่ดีนะแล้วไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับทั้งไม่ไปต่อต้านมันจําไว้เลยว่านั่นคือมหากุศลจิตอันนี้อยู่ในคัมภีร์เลยนะบอกว่าถ้ากุศลถ้าอากุศลจิตเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ทันมันพลิกเป็นมหากุศลจิตทันทีจากอากุศลธรรมดานะแลเรารู้ทันมีสติรู้อย่างยอมรับตามจริงว่านั่นคืออกุศลจิต มันเปลี่ยนเป็นมหากุศลจิตทันทีสังเกตได้ง่ายๆเลยเวลาที่คิดไม่ดีหรือเกิดความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์ลบขึ้นมาแล้วเราแค่ยอมรับมันเฉยๆว่าเออตอนนี้เกิดอกุศลจิตขึ้นมานะเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมานะมันจะรู้สึกโล่งมันจะรู้สึกคลายหรือถ้าแม้กระทั่งเกิดความรู้สึกทรมานใจเพราะบางทีคิดไม่ดีในเรื่องที่มันมันแย่อะไรแบบนี้นะอ่า ความทรมานใจนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดเจตนาชั่วร้ายขึ้นมาขอให้สังเกตนะถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดแย่มากๆแต่ตัวเจตนาของเราเนี่ยตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวของเราเนี่ยไม่ยอมตามมันไม่ไม่เกิดความคิดแม้กระทั่งจะปล่อยให้มันหลุดออกไปเป็นคำพูดนั่นเรียกว่าสติอยู่เหนืออกุศลจิตอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลมันเป็นแค่อกุศลสัญญา ที่สะสมมานะแล้วมันยังไม่ได้หายไปไหนทันทีคนเราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแบบชั่วข้ามคืนฉับพลันกลายเป็นอีกคนหนึ่งแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจําไว้ว่าถ้าคุณเห็นตัวเองเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งในชั่วข้ามคืนนะมันมีอะไรผิดปกติแล้วแต่ถ้าหากว่าค่อยๆเห็นว่าไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันมาปรากฏแล้วรู้สึกแปลกปลอม รู้สึกว่ามันเป็นคนละพวกกับเรานะแล้วมันเป็นอะไรทีเ่เราไม่ได้ยอมตามมันอีกต่อไปแล้วเนี่ยนั่นแหละคือขั้นตอนนั่นแหละคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องแท้จริงนะแล้วกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดในแง่ทางโลกนะก็คือว่าเราจะไม่ทำอกุศลกรรมแบบเดิมๆหรือถึงทำก็เบาบางลงคือมันไม่เต็มใจ ถ้าหากว่าทำบาปโดยไม่เต็มใจมันผลมันไม่เต็มร้อยนะแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ในทางการเจริญสติก็คือเห็นความไม่เที่ยงนะว่าเราเดินชีวิตไปในทิศทางใดมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปในทิศทางนั้นอย่างเช่นเราเลือกแล้วที่จะ ดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางของการเจริญสติซึ่งรู้แน่ๆว่ามันไปสู่มรรคผลนิพพานมันไปสู่ความเป็นกุศลมหากุศลนะเราจะเห็นจิตเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างนี้แหละคือว่าพอไอ้อกุศลสัญญาหรือความคิดไม่ดีมันกลับมามันย้อนกลับมาเราจะไม่เต็มใจต้อนรับมันเราจะไม่รู้สึกอยากจะให้ความร่วมมือกับไอ้ความคิดแย่แยๆที่มันผุดขึ้นในหัวหรือแม้กระทั่งเกิดความรู้สึกทรมานใจ มันก็จะไม่ทรมานนานนะเพราะเพราะมันเห็นมันเห็นไว้ก่อนล่วงหน้าคือรู้ไว้ก่อนเป็นสัมมาทิฏฐิว่าอากุสสสัญญามันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งจิตชั่วคราวมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นถึงความไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นข้อยืนยันแต่ละครั้งแต่ละหนที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของอกุสสนสัญญาเนะี่ยมันก็กลายเป็นข้อยืนยันข้อพิสูจน์ว่าเออไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วย เมื่อสั่งสมความรู้สึกว่าเออไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วยหลายๆครั้งเข้านะเป็น1ิเป็นร้อยครั้งในที่สุดนอกจากอากุศลสัญญามันจะหายไปเองแล้วนะมันจะได้พุทธทิบัญญาเกิดขึ้นมาด้วยว่าอากุศลสัญญาเนี่ยนะมันกลับมาได้ก็จริงแต่มันจะไม่อยู่กับเราถ้าหากว่าเราไม่เติมอาหารให้มันไม่ให้อาหารหล่อเลี้ยงกับมันนะอาหารหล่อเลี้ยง ไอ้อากุศลสัญญาจำไว้นะมีทั้งฝ่ายต่อต้านไม่พยายามให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกตัวนี้ก็เป็นอาหารหรือให้ความร่วมมือไปคิดไปพูดไปทำในแบบที่อากุศลสัญญามันบีบอย่างนี้ก็เป็นอาหารอีกเช่นกันทั้งรับแล้วก็ทั้งต้านเป็นอาหาร ให้กับอากุศลสัญญาทั้งสิ้นแต่ถ้าหากรู้ตามจริงว่าอากุศลสัญญาสักแต่เป็นภาวะชั่วคราวนี่มันจะเป็นการตัดอาหารปัดสเสบียงนะแต่อย่าหวังว่ามันจะหายไปภายในเดือน2เดือนนะให้แรงไว้เลยว่าอาจจะเป็นปีๆหลายปีนะหรือแม้กระทั่งจะเป็นไปอย่างนี้ชั่วชีวิตก็คุม้ม เพราะว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้ชั่วชีวิตที่เหลือเนี่ยเห็นอกุศลสัญญาโดยความเป็นภาวะไม่เที่ยงมันเป็นต้นเหตุมันเป็นบ่อเกิดของพุทธิปัญญาไม่จาเป็นต้องไปรังเกียจมันนะนะเข้าใจนะเอาเลยครับไม่ได้ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรอะคะ่ะเพียงแต่ว่าอยากมาฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างเมื่อกี้ทาทาไปแล้วมันง ง, ง, งหรือเปล่าทาสมาธิไปตอนต้น อ่าที่ที่มันที่มันรู้สึกแบบเหมือนกับเออฟังดูมันเหมือนเข้าใจแต่ว่าก็มีความคิดผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆงงๆนะไอ้แบบนี้เนี่ยก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นทำแล้วต้องคาดหมายว่าเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวมันจะได้แต่แต่ถ้าหากว่าเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เราไม่คาดหมายเราถึงเห็นความจริงนะ เห็นความจริงว่าบางทีมันยังมีความคิดผุดขึ้นมาแล้วฟังๆไปแล้วบางทีมันก็เข้าใจบางทีมันก็งงๆบางทีมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออในตรงนี้เราเราก็เห็นอยู่นะยกตัวอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเห็นอยู่แต่มันไม่เข้าใจว่าเขาจะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงยังไงเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยมันยังเกาะกลุมอยู่มันยังรู้สึกว่าตัวเราตัวเราตัวเราอยู่นะเราก็เห็นตรงนั้นแหละเริ่มต้นจากตรงความจริง ที่มันยังปรากฏอยู่ในหัวของเราหรือว่าความจริงที่ยังปรากฏอยู่ในจิตของเรามันมีความฟุ้งซ่านเราก็ยอมรับว่าฟุ้งซ่านนะแต่แต่ละครั้งที่เราเห็นความฟุ้งซ่านคือการเห็นความจริงทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรเราเกิดความอยากให้มันหายฟุ้งซ่านไอ้นี่คือมันไม่ได้เห็นความจริงแล้วมันมันอยากให้ความจริงมันผิดเพี้ยนไปแล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ลมหายใจนะคะ ในเมื่อมันเป็นลมหายใจมันเข้าทำไก็ต้องออกอะค่ะคือตัวที่เรารู้สึกว่าสักแต่เป็นลมหายใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบที่เราเคยชินมาตลอดชีวิตนะจิตมันยังไม่ได้ เ, เข้าสู่การเรียนรู้เข้าสู่หมวดของการเรียนรู้ว่าจะดูให้เห็นความไม่เที่ยงได้อย่างไรเนี่ยมันมันก็ต้องใช้วิธีนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆ เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคืออย่างของคุณอาจจะพอเข้ามางงแล้วมันจะติดอยู่ในหลุมของความงงเข้าใจไหมคือมันมันจะติดอยู่ในหลุมของความฟุ้งซ่านตรงเนี้ยเนี่ยเราก็เปลี่ยนนิสัยทางใจใหม่ลงไปดูว่าเออเท้ามันวางราบอยู่เฉยเป็นยังไงนะบางทีถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยมันก็จะงุ้มมันก็จะเกรงโดยไม่รู้ตัวแต่พอเราไปสังเกตแล้วรู้สึกรีแลกซ์ที่ฝ่าเท้าขึ้นมาเนี่ย มันจะเริ่มเห็นเลยนะว่าเออสติที่เข้ามาในกายจริงๆหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายเข้ามาอยู่กับความจริงส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ปกติเนี่ยมันจะวนอยู่ที่นี่ตรงนี้นะนะพอยคือตรงนั้นถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่จะเห็นจากอะไรได้แล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวที่มันเป็นของจริงอันนั้นคือถูกต้องเวลาที่มันเกิดความรู้สึกงงๆขึ้นมา ความพุ่งสร้างขึ้นมากลับ ไ, ไปนับหนึ่งใหม่เลยนะฮะแล้วเราสามารถที่จะย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งมันไม่จํากัดและยิ่งทําบ่อยเท่าไหร่ยิ่งมาอยู่กับความจริงที่ปรากฏอยู่ในร่างกายบ่อยขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าเออเรามีสติอยู่กับความจริงมากขึ้นเท่านั้นปกติเนี่ยมันอยู่กับความพามุ่งสร้างมันอยู่กับความอยากมันไม่ได้อยู่กับความจริงนะค่อยๆทําความเข้าใจไปเดี๋ยว แล้วมันจะค่อยๆค่อยๆเก็ตขึ้นมาเองนะเอาเลยครับเพิ่งมาครั้งแรกไม่ไม่รู้จะทเมื่อกี้ตอ<ห>นที่ท า, ทาพยายามทาเห็นเห็นความพยายามไหมนึกออกไหมของของคุณเนี่ยมันมีความเคยชินที่จะพยายามเข้าใจใช่ไหมอย่างเวลาไม่ว่ายกตัวอย่างเวลาเราเริ่มต้นทำงานใหม่มันจะรู้สึกเหมือนมีกำแพงขวาง มันจะรู้สึกงงๆแล้วเราต้องฝืนพยายามที่จะทำความเข้าใจอันนี้ก็คล้ายๆกันมันเหมือนกับว่าของของคุณเนี่ยมันมันมันพยายามทำความเข้าใจตั้งหน้าตั้งตาทำความเข้าใจอาการของขใจมันจะเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่มีอาการตั้งหน้าตั้งตาทำความเข้าใจคุณจะรู้สึกว่ามีกำแพงขวางมีกำแพงให้ต้องฝ่า ให้ต้องทำลายทิ้งให้ต้องให้ต้องปีนปลายเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นนะเนี่ยเราก็ดูว่าอาการของใจของเราเฉพาะของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับว่าคือจิตข้างในของคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องรู้รู้ให้จริงรู้แบบฉลาดอะพูดง่ายๆถ้ายังฉลาดไม่ได้ถ้ายังรู้ไม่ได้เนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัด แล้วเหมือนกับต้องดิ้นรนเหมือนกับต้องปั่นฝ่าต่อเข้าใจอาการทางใจของตัวเองใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงไอความรู้สึกอึดอัดแบบนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นระหว่างที่ทําสมาธิง่ายๆเลยคือยอมรับไปว่ามันเกิดอาการแข็งๆขืนๆขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะรู้สึกโล่งมันจะรู้สึกสบายขึ้นมันรู้ไงว่าจะดูตรงไหนแต่เมื่อกี้มันคล้ายๆกับเออ มันไม่ชินที่จะดูลมหายใจมันไม่ชินที่จะยอมรับการอาการที่แข็งๆฝืนๆในอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่รู้จะดูตรงไหนก่อนทีนี้พอผมชี้ให้ดูอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกขึ้นมาเอออาการของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมันจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนโล่งขึ้นมาเพราะมันรู้แล้วไงว่าจะดูตรงไหนจริงๆอย่างน้องคุณเนะี่ยเท้าคุณชอบเกร็งเห็นไห ม, มคือระหว่างเราคุยกันอยู่เนี่ยบางทีมันก็กลับมาโดยไม่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเท้าป่าเท้ามันผ่อนคลายลงเนี่ยใจมันก็จะสบายขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็กลับมาเห็นไหมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคือมันมันเหมือนพอมีอาการต้องฝืนต้องสู้ต้องพยายามทำอะไรบางอย่างมันเป็นความเคยชินตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่พยายามแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ มันมันจะมันจะแก้ด้วยวิธีนี้เริ่มต้นจากความเครียดก่อนคือมีความตั้ง อ, อกตั้งใจว่าจะทําความเข้าใจแล้วก็จะพยายามป่าให้ทะลุปัญหาทะลุทะลุกําแพงปัญหาไปให้ได้พอทําไม่ได้มันจะรู้สึกอึดอัดไม่เลิกเริ่มต้นเนี่ยก็ดูความอึดอัดนี่แหละนะจำไว้เป็นคีย์เวิร์ดนะของคุณนะแล้วก็มันเนี่ยดูป่าเท้าพอพูดถึงความอึดอัดเนี่ย มันจะมันจะเหมือนกากเกางๆขงขึ้นมาฝ่าเท้ามันมันมันมันชาอยู่แล้วสองข้างก็คือเป็นชาเป็นปกติมีมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทใช่ครับคือเท้ามันจะชามาเป็นปีแล้วใช่ครับสองข้างเลยมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ลองลองไปรักษาด้วยการกดจุดดูนะคือคือแบบนี้แพทย์แผนไม่จบันแก้ไม่ได้หรอกนะ ครับสวัสดีครับผมก็เป็นผู้มาใหม่ครับความคิดผมมันฟุ้งๆอยู่ในหัวตลอดครับที่ฟังครับอย่างอย่างมากินเนี่ยกำลังจะบอกว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยมันมันเหมือนกับบางทีเราพยายามฟังนะแต่เหมือนกับใจใจมันไม่ยอมใช่ครับนะมันมันเหมือนกับมีอะไรม้วนๆๆนๆอยู่คือโดยเจตนาเนี่ยเราตั้งใจฟังครับนะ อันนี้มันก็เหมือนกับมีตัวติดอยู่นิดนึงคือของคุณเนี่ยจะเป็นพวกเอ่อจะพูดว่าไงคือมีลักษณะทางความคิดเนี่ยที่จะคุยกับตัวเองปรึกษากับตัวเองมากกว่าที่จะที่จะ อ, อ, อยังยังเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย เราเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าความคิดเนี่ยมันจะมันจะมันจะแบบคุยกับตัวเองไพอพอจะนึกออกหมนึกออกครับมันมันมันไม่ค่อยอยากจะคุยกับคนอื่นคือคุยคือไม่ใช่ไม่ไม่ไมับฟังความคิดของคนอื่นนะคือคุยนะแต่ว่าใจเนี่ยมันคอยคิด คิดว่าเอตรงนี้ใช่ไม่ใช่อ้ตรงนี้จะทำยังไงแก้ปัญหายังไงมันมันเคยชินที่จะคุยกับตัวเองมากกว่าคุยกับคนอื่นพอพอจะเก็ตแม้ว่าผมพูดถึงยังไงนะ เ, เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มฝึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความเคยชินแบบเดิมย้อนกลับมาคืออย่างเมื่อกี้คือผมเห็นความตั้งใจนะ คือตั้งใจฟังตั้งใจทำตามนะแต่มันเหมือนมีอะไรคอยรบกวนะ เ, น, น, วนะเน่เป็นคลื่นรบกวนนะเป็นเป็นลักษณะความคิดที่บางทีออกนอกเรื่องหรือว่าบางทีอ่าใช่ครับนะอ่าอันเนี้ยพอพอจูนกันตรงนี้เข้าใจเนะี่ยก็จะได้อ่พูดถึงสเต็ปต่อไปว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือนะอะ่เราอย่าพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องของการทำสมาธิ แต่พยายามทําการยอมรับใ้สิ่งที่มันกําลังปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างตอนเนี้ใจเริ่มเปิดเห็ยนไหมเห็นความแตกต่างไหมครับครับมันมันอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมาตามสเต็ปก็คือว่ายอมรับตามจริงว่าจิตมันเหมือนกับปฏิเสธมีอาการปฏิเสธคือไม่ได้ตั้งใจปฏิเสธนะแต่มันเหมือนกับมีคลื่นนบกวนให้ออกนอกเรื่องหรือไม่ก็ มีไอลักษณะความสงสัยที่มันผิดจากไอภาวะที่มันกําลังปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างตอนนี้ภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ตรงหน้านะคือความรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นกว่าเมื่อเมื่อตอนแรกนะเราก็เห็นยอมรับตามจริงว่าอาการโล่งขึ้นกว่าเมื่อครู่หน้าตามันเป็นแบบนี้แต่พอเมื่อไหร่มันเกิดความรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาไหมขึ้นขึ้นมาอีกนะเกิดความรู้สึกว่า ไม่อยากเปิดดับไม่อยากฟังโลกภายนอกไม่อยากที่จะไปอยู่กับโลกความเป็นจริงภายนอกเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงอาการที่มันหมวนหมวนกลับเข้ามาไอ้ที่มันเป็นกลุ่มความคิดแบบคลื่นนบกวนเนี่ยที่มันชวนให้ออกนอกประเด็นออกนอกเรื่องพอเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสติรู้ลักษณะความคิดของตัวเอง ที่มันเกิดขึ้นเป็นขนาขณะบางครั้งมันก็เหมือนกับมีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้บางครั้งเหมือนกับมันปิดเหมือนกับคล้ายๆมันรูดม่านลงอ่ะอาการของใจของคุณนะครับคือจะรู้สึกใช่ไหมมันเหมือนกับมีอาการรูดม่านลงเข้าใจไว่าครับคือมันมันมีอะไรมืดๆมาปิดไว้แล้วก็หมอกอยู่กับความคิดข้างในของตัวเองใช่ครับอ่านะทีนี้ถ้า ครั้งต่อไปเห็นอย่างนั้นอีกไม่ต้องไปปฏิเสธหรือว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่สังเกตเฉยๆว่าตอนที่มันมอีอาการคลื่นความคิดแบบมืดๆม้มวนมาปิดตัวเองจากโลกภายนอกเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมที่มันคลาย uh huh. นี่เรียกว่าเห็นความจริงและยอมรับความจริงถึงภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ได้หนีไปไหนแต่ก่อนเนี่ย คือมันเคยชินไงกับการที่เราไม่ไว้ใจคนอื่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องคิดเองเราต้องแก้ปัญหาเองเหือนเหมือนกับ เ, เข้าใจความคาว่าไม่ไว้ใจคนอื่นใช่ไหมกลัว ค, คนอื่นจะคิดผิดกลัว ค, คนอื่นจะคิดไม่ได้เรื่องอะไรแบบนั้นเนะ่นะแล้วมันก็จะพาตัวเองเข้ามาโลกภายใน คือคือจะมาคุยกับตัวเองอย่างเดียวอ่าเมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกบ่อยนะมันเป็นนิสัยทำความคิดไปแล้วให้ให้เห็นเห็นว่ามันมีอาการหมวนเข้ามาอยู่กับตัวเองเกิดความอึดอัดเกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับเอ๊ะเราจะเอายังไงดีนะไ อ, อ, อประมาณอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะเอายังไงดีเนะี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันจะเป็นแบบนี้นะจำจำขีดตรงนี้ไว้ก็แล้วกัน มันมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยนะถ้าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเห็นได้บ่อยๆอะไรนั้นมันจะกระตุ้นให้เกิดสติมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วสติของเราเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเนี่ยจากลักษณะความคิดเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะสมมติสมมติถ้าเราไปคิดอยู่ตรงนั้นปุ๊บเรากลับมารู้รู้ลมหายใจของเราก็ใช้ได้ไหมครับของคุณเนี่ยเวลา <c oughs> ที่กลับมารู้ลมหายใจมันไม่รู้จริง สังเกตนะเพราะกลับมารู้ลมหายใจมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกบอกว่าเฮ้ยมันทําไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมามีแต่ความรู้สึกเป็นทุกข์มันมันพอทําไปแล้วเนี่ยเ อ, อกลายเป็นว่าเราไปหมกอยู่กับอารมณ์หนักๆเกิดความรู้สึกหนักๆอึ้งๆขึ้นมาไอ้ตรงนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ผ่านกําแพงความคิดคือมันยังไม่ได้ยอมรับตามจริงเลยว่าลมหายใจเข้าหรือออกอยู่มันกลายเป็นเพ่งไปแล้ว มันกลายเป็นบังคับลมหายใจไปแล้วหรือว่าพยายามปั้นลมหายใจให้มันเป็นดังใจขึ้นมาเนี่ยตอนอ ย, อย่างตอนนี้จิตแบบนี้มันถึงจะพร้อมมันถึงจะพร้อมที่จะเห็นเห็นความแตกต่างไหมจิตมันคลายตัวออกไปจากเดิมที่มันหมกอยู่เข้าใจคําว่ามหมกหมครับครับคือพอชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างเนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นนะอาการหมกเนี่ยมันมันจะเหมือนกับมาเกาะมาเกาะไว้เฉย มามาจมอยู่เฉยๆแต่การที่คลายออกไปจิตที่มันคลี่คลายออกไปเนี่ยอย่างตอนนี้มันสบายมันพร้อมที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตัวพร้อมที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้เป็นตัวตั้งในการสังเกตเพราะของคุณแท้เริ่มจะไปเอาเป็นเอาตายกับลมหายใจเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความรู้สึกอึดอัด แต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดแล้วมันคลี่คลายออกมาอย่างนี้ได้นะด้วยอาการยอมรับตามจริงเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะเริ่มต้นเห็นอย่างแท้จริงเห็นไหมตอนเนี้ต่างไปเยอะนะคือคือมันคลายออกมาจากข้างในเนี่ยมันมันมันพยายามดูอันนี้อย่างจิตแบบนี้เรียกว่าพยายามดูนะพอพยายามดูเนี่ยมันไม่ได้ดูแล้วมันมีแต่อาการพยายามออกมาบาง เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ที่มันเหมือนกับมีอะไรมาบล็อกอยู่นั่นน่ะเป็นตัวความพยายามนะอ่ะอย่างนี้ค่อยลงความพยายามมันหายไปคือพอเริ่มเห็นจากอย่างนี้แล้วค่อยดูลมหายใจมันจะเห็นจริงๆแต่ก่อนของคุณไม่ได้เห็นลมหายใจนะมันพยายามคิดที่จะบังคับลมหายใจเข้าใจไหมคิดบังคับลมหายใจมันไม่ใช่อ่เปิดใจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กลมหายใจโอเคนะครับผมบของเรื่องของของผ<อ>มจะมีเรื่องโทสะ<ม>ที่เกิดบ่อยอะคะ่ะเราพอมันเกิดเราพยายามอยากจะอยากจะเข้าไปจัดการแต่มันมันไม่ได<อ>้เราอาตั ว, ต, วตัวโทสะเนี่ยมันมากว่าความเหมือนกับคำคำหนึงคีย์เวิร์ดก็คือเราอยากจะข้างขางนเนี่ยมันเอาแต่ใจนะ<ม>แต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันพยายามมีเหตุผล เข้าใจหัหยคือความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยเราพยายามสอนตัวเองหรือว่าถูกคนอื่นสอนมาเยอะนะแล้วเราก็เชื่อด้วยเชื่อว่าควรจะคิดอย่างมีเหตุผลแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันยังอยากแต่เอาเอาแต่ใจไม่เลิกเหมือนตอนเป็นเด็กๆอะ่ะฉันต้องได้ฉันเยทำไมไม่อย่างนั้นทาไมไม่อย่างนี้นะแล้วอารมณ์แบบนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนสองคนมาพยายามเถียงกันเถียง ก, กันกับความคิด อารมณ์กับความคิดมันเถียงกันอยู่เราเห็นตัวนี้ก็แล้วกันตัวเถียงกันมันเกิดความรู้สึกอึดอัดตอนตอนแรกที่เราถามพี่เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะเนี่ยมันเกิดไอ้ความโทสะเรืออะไรอย่างนี้ประเด็นคือม่าจะแก้อย่างไงนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จะแก้ได้ด้วยความคําสั่งว่าพี่เอออย่ากโกรธไม่ได้เหรืออย่าอะไรอย่างง้นอย่างนี้ไม่ได้เหรือ มันมันชอบคิดแล้วบางที เ, เสียใจกับตัวเองนิดน้อยใจตัวเองได้นะว่าเอ้ยทําไมมันทําไม่ได้ทักทีฝึกมานั่งนานแล้วจริ ง, จ ร, งจริงเนี่ยมันทําได้มาเยอะแล้วนะเพราะว่าวิธีที่เราคิดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคือเราเราคิดอะไรได้หมดแต่ว่าอารมณ์มันจะยอมหรือไม่ยอมนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคาดหวังว่าเราคิดอะไรได้อารมณ์มันจะต้องคล้อยตามไปตามนั้น อารมณ์กับความคิดมันอยู่คนละฝั่งกันเสมอจาไหมเลยนะคือคือในกรณีของเรานะคือมันอยู่คนละฝั่งกันเสม อ, เ, อ, อเราบอกว่าเราตัวเราเนี่ยพยายามจะเจริญสติพยายามจะพัฒนาใหมางง้มันอย่างง้นมันอย่างนี้แต่ตัวอารมณ์เนี่ยมันคอยดึงวกกลับไปหาโลกโลกตลอดนะก็อย่าไปให้มันเกิดความทรมานใจ แต่ให้เกิดความสบายใจว่าเราได้เห็นว่าอารมณ์กับความคิดมันทะเลาะกันอารมณ์นะของเรานะเวลามันเกิดขึ้นมานะมันจะเหมือนมีอะไรหมุนจี๋ขึ้นมาแล้วก็แบบต้องเอาให้ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะแล้วความคิดของเรานะมันมันผุดขึ้นมาในลักษณะใส่เบรกเหมือนกันเฮ้ยไม่เอาหน้าเออนี่อย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้นไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันมันเหมือน ในที่สุดแล้วเนี่ยเราพัฒนาไอ้ตัวสองตัวให้มันทะเลาะกันตัวหนึ่งคอยจะเดินหน้าไปตัวตัวหนึ่งคอยจะใส่เบรกหรือว่าใส่เกียร์ถอยอะไรแบบนี้นะคือผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันเป็นตัวดึงบางบางทีความคิดฝ่ายดีมันดึงแต่บางทีอารมณ์มันกลายเป็นเหมือนกยิ่งเร่งยิ่งผลักใสหรือว่าลากให้เรากลับไปใช้ชีวิตโล่งๆแบบธรรมดาขึ้น น, น, นะมันเหนื่อย น ะ, จะเจริญส ต, ติจะเอามารรคผลยิ่พันไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคือของเราเนี่ยพอไม่ได้อย่างใจแล้วจะเกิดอารมณ์คุณหนูนะอยากจะกรี๊ดบอโอ้ยมันอีกกี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ยมันเนี่ยตัวเนี้ยนะเวลาดูดูตัวที่มันทะเลาะ ก, กันเนี่ยแหละสรุปแล้วมันมีโฟกัสอยู่โฟกัสเดียวที่เราดูได้ก็คืออารมณ์ขัดแยง้งอารมณ์อารมณ์กรี๊ดนอะ่ะอารมณ์ที่มันรู้สึกว่า เฮ้ไอสอฝ่ายเนี่ยไอสอฝาก2ฝ่ายเนี่ยที่มันสู้กันอยู่เนี่ยมันมีมันมีแรงเค้นเข้าใจไหมคือคือเมื่อไหร่ที่มีกําลังที่จะเดินหน้าแล้วมีอีกแรงหนึ่งที่จะถอยหลังมันจะมีความเค้นเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งธรรมชาติของใจก็เหมือนกันใจทางความคิดอยากไปด้านหนึ่งแต่อารมณ์อยากไปอีกด้านหนึ่งมันก็เกิดแรงเค้นขึ้นมาแรงเค้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูนะดูง่ายๆเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพอพี่พูดถึงเนี่ยแล้วมันก็ไปไปก่อ ให้เกิดไอ้ความขุ่กลุ่นตรงเนี้ยที่มันขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยเราก็เราก็ดูเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมใช่เออคือคือเวลาดูเนี่ยดูแค่ตรงนี้ของเราเนี่ยดูแค่ตรงที่มันเกิดความรู้สึกแรงถึงแรงเค้นถึงความขัดแยง้งเนี่ยอัดตรงเนี้ยหรอคะออพอพอดูแค่ตรงเนี้ยด้วยความเข้าใจไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราเราไม่ได้คิดไงว่า พี่จริงๆแล้วเราก็คิดดีมันั้งเยอะแล้วนะเราเราแต่มองแต่ ว, ว่ามันยังโทสะมันยังอะไรต่อเมือะไรคือมองด้านเดียวแต่ไม่ได้มองว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นแรงเค้นมันเป็นความขัดแยง้งเข้าใจที่พี่พูดไหมเข้าคือเรามองเป็นโทสะเราเราไปโฟกัสตรงนั้นนะเข้าใจนะอ่าเวลาที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วเราเห็นด้วยความเข้าใจ ว่าความคิดเราอย่างหนึ่งไปทางหนึ่งอารมณ์ไปอีกทางหนึ่งมันอีกอย่างหนึ่งแล้วเกิดไอความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยมันจะปลอดโปร่งมันจะรู้สึกว่าเออไม่ต้องเถียงกับตัวเองะค่ะมันเป็นแค่เห็นตัวโปรดักสุดท้ายอ่ะที่มันออกมาเป็นความขัดแย้งที่มันออกมาเป็นความรู้สึกฝืนความรู้สึกต่อต้านความรู้สึกว่ามันมันเค้นกันอยู่เนี่ยแค่เห็นตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเพราะมันเห็นด้วยความเข้าใจเห็นว่า ความคิดกับอารมณ์มันขัดแย้งกันตอนนี้เองนะอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะที่พี่ตุนสอนให้ดูความว่างอะคะ่ะมีความรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่า<อ>เราอ<ะ>ของเรายังดูความว่างไม่ได้ อ, อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งนะของเราเนี่ยความขัดแย้งมันนํามันเป็นตัวนำสองคือความสงสัยมันเคลือบอยู่ตอนนี้เนี่ยพี่พูดถึงเฉพาะตอนนี้นะดูตัวความขัดแย้งกับดูตัวความสงสัยให้ให้ออกก่อน อย่าเพิ่งไปดูความว่างเพราะพอเรารู้สึกถึงความว่างปุ๊บมันสงสัยทันทีมันมันเหมือนกับมีความสงสัยเคลือบอยู่บางๆอยู่ตลอดเวลาแหนว่าเอ้ความว่างตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นความว่างที่เมันจริงหรือไม่จริงอะไรแบบเนี้ยนะมันมันจะเคลือบอยู่ถ้าเราดูไอความสงสัยที่มันเคลือบอยู่ได้เนี่ยเนี่ยมันอย่างเนี้ยว่างจริงเราเราเห็นถึงความสงสัยที่มันเคลือบอยู่บางๆ แล้วมันจะรู้สึกเออไม่มีอะไรอไอ้ตรงเนี้ยนะที่ความสงสัยมันหายไปเข้าใจน ะ, ค, ะคือคืออย่าไป p อย n t ของพี่คือว่าอย่าพยายามไปดูความว่างเพราะมันไม่เคยว่างจริงมันยังฉาบอยู่ด้วยความสงสัยแต่พอเรารู้จักคือดูความสงสัยตรงนี้ได้เป็นเนี่ยไอ้ที่มันฉาบอยู่บางๆเนี่ยมันจะรู้สึกหายไปเนี่แหละที่เวลาว่างมันจะว่างจริงะนะพอเปรียบเทียบระหว่างไอ้ความ ว่างที่มันมีความสงสัยเคลือบอยู่กับความความว่างที่มันว่างจริงๆไม่มีความสงสัยเลยเนี่ยอย่างนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าภาวะทางใจเป็นยังไงคนเนี่ยนะจะ เ, เห็นเข้ามาในจิตของตัวเองว่าเป็นศักแต่เป็นภาวะทางจิตนะก็ต่อเมื่อไอภาวะทางจิต2ภาวะมันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วเราสามารถเห็นความแตกต่างของมันได้อยู่ๆเนี่ยไปจ้องเข้ามาที่ภาวะ ทางใจที่มันกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันมันไม่มีทางรู้สึกนะว่านี่คือภาวะทางใจภาวะทางใจจะปรากฏให้สติรับรู้ก็ต่อเมื่อมีสองภาวะเป็นเป็นข้อเปรียบเทียบอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะทั้งในเวทนานุปัสนาและในจิตตานุปัสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ดูของคู่ดูเปรียบเทียบภาวะสุกับทุกข ดูจิตมีราคากับไม่มีราคะจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะจิตสงบกับจิตฟุ้งซ่านจิตหลุดพ้นกับจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ดูเป็นของคู่อย่างนี้นะอันนี้คือหลักการเลยนะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันจะเห็นแค่ความเป็นของต่างระหว่างขั้วตรงข้ามแบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งแต่พอเห็นไปเรื่อยๆในที่สุดไอ้ไอสติที่มันถูกกระตุ้นขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหะ มันจะค่อยๆมีความคมมีความชัดเจนมีความต่อเนื่องขึ้นมามากพอจะเห็นขณะที่มันกําลังเปลี่ยนเลยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนเราเห็นเนี่ยมันเห็นตอนมันว่างไปแล้วตอนมันหายไปแล้วแต่พอมันเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกเลยเหมือนกับม่านหมอกอะไรที่มันตอนแรกห่อหุ่มจิตอยู่แล้วมันสลายตัวออกไปแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนเราเห็นตอนที่พี่ชี้ว่าเออมันว่างไปเนี่ยนะมันมันเห็นตอนหายไปแล้วขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ <c oughs> มาครั้งแรกครับพอดีก็ขอย้อนกลับไปเป็นความคิดระดับโลกๆแ ล, ล้วกันเป็นคนที่มีความลังเลสงสัยเยอะกับชีวิตอ่าก็ทํางานส่วนตัวแล้วก็คิดว่าคือไม่ได้รวยอะไรแต่คิดว่าความต้องการไม่เยอะมากแล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาเรื่องคนเยอะมันเหมือนกับคนรอบข้างมันเหมือนกับพอเราทํางานแล้วมักจะ ติดนอนติดนี่มือนก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่ามันกวก่นวุ่นไอตัวความสงสัยไม่ใช่สงสัยหรอกมันมันวนุ่นครับหรือคุณคิดว่ามันมันต้องมันคอยมีปัญหาให้คิดหาทางออกอไม่เลิกนะหมดปัญหาหนึ่งไปอีกปัญหาหนึ่งแล้วลักษณะความคิดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับไม่เชื่อในเรื่องของทางออกไม่เชื่อในเรื่องของอ จุดที่มันลงตัวที่มันเคลียร์คัดชัดเจนอะไรแบบน้นบมั น, ม, นมันมันมักจะต้องกลับมาย้อนย้อนคิดถึงปัญหาบางทีมันมึนนะนะเจอหลายปัญหาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสาวไปที่ต้นเหตุของปัญหาตรงไหนครับบางทีคือคนบางคนเนี่ยพอเริ่มทำอะไรของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีเลยว่า ทำไมมันมีแต่อุปสรรคทำไมมันมีปัญหาได้ทั้งๆที่บางทีเราก็เห็นอยู่ว่าอะไรมันก็น่าจะง่ายๆนะแต่ทำไมมันไม่ง่าย อ, อ, อันนี้มันก็เป็นเส้นทางนี้คือเวลาที่เราจะเอาไอ้ตัวความปรุงแต่งทางจิตแบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรินสติเนี่ยน้องดูง่ายๆนะอย่าอย่าไปอย่าไปพยายามที่จะ อย่าพยายามที่จะเพ่งเข้าไปหาความสงสัยคือเวลาน้องน้องดูความสงสัยมันเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปที่ความสงสัยเข้าใจป่ะครับคือพอเพ่งเข้าไปแล้วเรารู้สึกมันไม่เจออะไรเลยขึ้นต้นมาเนี่ยอเอาแค่หายใจสักทีหนึง่งแล้วถามตัวเองว่าหายใจครั้งนี้เนี่ยสงสัยหรือไม่สงสัยแค่เนี้ดูถูกแล้ว เห็นไหมมันแตกต่างไหมไก่ที่เราดูเองเนี่ยตอนเราดูเองอ่ะมันจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปที่ความสงสัยคือคือเราไปนิยามว่านี่ยคือความสงสัยแล้วเราก็มองเข้าไปด้วยความคาดหมายว่าจะเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นความไม่ใช่ตัวตนของมันครับมันไม่ใช่รู้เฉยๆแบบนี้อวิธีที่จะรู้เฉยๆได้เนี่ยเอาอะไรเป็นหลักตั้งสักอย่างหนึ่งหายใจขึ้นมาทีหนึ่ง เปรียบเทียบว่าด้วยลมหายใจนี้มันมีหน้าตาความสงสัยห่อหุ้มจิตใจเราอยู่แบบนี้ครอบเราของเราเนี่ยบางทีมันครอบเลยนะเขาเข้าใจเขาเข้าใจคําว่าครอบใช่ไหม ค, คือมันรู้สึกเหมือนมีอะไรล็อกอยู่ให้ติดอยู่กับตรงนั้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้ววิธีที่เราดูเข้าไปก็คือดูเข้าไปสิ่งดูเข้าไปในสิ่งที่ล็อกอยู่เหมือนกับดูเข้าไปในกรงขังที่มันครอบจิตของเราอยู่ซึ่งพอดูเข้าไปแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรนอกจากอย่างค้างคาอยู่อย่างนั้น อันนี้พอเราตั้งต้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พอพี่พูดถึงลมหายใจแล้วเราหายใจทีหนึ่งแล้วดูอีกทีมันเออตอนนี้มันเคลียร์<ม>จิตของเราเนี่ยมันเกือบจะเคลียร์อยู่แล้วนะ<ม>ขอแค่จุดเริ่มต้นที่มันจะออดูให้รู้จริงๆให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับ น, นี่ก็เป็นปัญหาว่าแล้วเราจะมุ่งไปทางไหนดีคือทำทุกอันนี้ก็ไม่ได้ ก็คือไม่รู้จะแก้ปัญหาไปทําไมให้มันมาว่าจะหยุดแก้ปัญหาดี <คน S 1> ไหมของเราท้อเยอะนะเพราะว่าปัญหามันมาอยู่เรื่อยๆแล่นส่วนใหญ่มัเป็นปัญหาหยุ่งหยิมครับคือคือเป็นปัญหาที่มันเรื่องคนแนหะข้นะเรื่องเราอาจจะเส้นทางมันทํางานกับคนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าพูดกันตรงๆนะครเออเพราะว่าเราอาจจะมันเป็นเส้นทางแล้วอนะ ถ้าทําเองมันจะอย่างนี้เลย <c oughs> คือส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะต้องมาพึ่งตัวเอง้ะเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ถนัดเราไม่ได้ชํานาญแต่ก็ต้องไปฝืนใจครับมันมันก็เลยทําอะไรไม่ดีจริงมันไม่ดีสุดสักอย่างอืมเอาละก็คือถ้าเราสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยการสลัด เอาความรู้สึกเป็นทุกข์แบบเนี้ยในลักษณะที่เราถูกครอบด้วยกรงขังอะไรบางบอย่างออกไปได้เลยนะด้วยวิธีเนี้ที่พี่บอกเนี่ยแล้วเอาความรู้สึกว่าจิตใจที่มันปลอดโปร่งแล้วเนี่ยไปคุยกับคนเขาจะรู้สึกปลอดโปร่งตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเราเอาความทุกข์ไปคุยกับเขาเวลาคุยอ่ะเราคุยในลักษณะอ้อนวอนเราไม่ได้คุยในลักษณะอธิบาย เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกทางใจไหม uh huh. เหมือนจะพยายามอ้อนวอนให้เขาเข้าใจทักทีหรือว่าทำตัวดีขึ้นทักที uh huh. หรือว่าทำตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นทักทีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันมันเป็นอาการอ้อนวอนไม่ใช่อาการอธิบาย uh huh. ซึ่งเขาก็จะติดอยู่ในอาการอ้อนวอนแบบเดียวกับเราเ uh huh. ข้าใจปะคือมันมันวนอยู่อาการพยายามไม่ได้ อ, อ, อยู่ยืนอยู่บนจุดของความเข้าใจ พื้นฐานของความเข้าใจถ้าเรามีจิตที่ปลอดโปรง่งแล้วไปอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยเออเราต้องการอะไรอย่างนี้นะเป้าหมายของเราคืออย่างนี้นะแล้วสเตป บ, บาสเตปคืออย่างนี้นี้เรียกว่าเป็นเป็นการเอาจิตที่ปร่งใสไปทำให้เขาโปร่งใสตามมีขั้นมีตอนตามแต่ถ้าจิตของเรามันยังติดวนอยู่กับปัญหาหรือความทุกข์แล้วเราไปพูดกับเขา เขาจะรู้สึกถึงความวกวนติดอยู่กับปัญหาติดกับอยู่กับปัญหาไม่เลิกของเราเข้าใจพลอยนะครับครับสวัสดีครับก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ไม่ได้เจออาจารย์ไม่ได้ถามนานแต่ก็ยังแต่จิตเราดีขึ้นจิตของเราดีขึ้ น, น <ะ S 1> เรื่อยๆมาครับก็ขอคําแนะนําว่าผมทํามาถูกทางแล้วเป็นอย่างแล้วก็จะทํำยังไงต่อครับ สังเกตอย่างหนึ่งไหมคือพอเราปลดเปลื้องภาระให้คนอื่นได้หรือช่วยคนอื่นได้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนโลง่งเหมือนกับภาระหรืออะไรบางอย่างที่เราแบกไว้เนี่ยมันพลอยหายไปด้วยทีละน้อยนะทีละครั้งทีละหนแล้วก็ดูอารมณ์แบบนั้นไปว่าบางครั้งเนี่ยความเปลี่ยนแปลงทางจิตมันเกิดขึ้นจากกรรมเราช่วยคนอื่นมันก็เหมือนกับช่วยตัวเองเนี่แหละ เราปลดเปลื้องภาระให้คนอื่นมันก็เหมือนปลดเปลื้องภาระให้ตัวเองเนี่ยเราก็ดูไปว่าเวลาที่ใจเราคือใจข้างในเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนโปร่งโล่งพอสมควรนะแต่ว่ายังมีอะไรครอบอยู่ครอบอยู่บางๆแต่ก่อนเนี่ยมันความความรู้สึกของเรานจะเหมือนกับติดติดอยู่ในกรงขังแน่นหนาแต่ตอนเนี้ย คล้ายๆจะเป็นอิสระและ้วเกือบแล้วแต่มันยังติดอะไรอยู่บางๆพอจะเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมใช่ครับเออเน่ยไอ้ที่มันยังติดอยู่บางๆเราเราสังเกตไปมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่มาพร้อมกับความคิดว่าจะต้องทำอะไรต่อคือมันมองไปข้างหน้าไม่ได้มองที่ปัจจุบันเข้าใจคำพูดพี่ปะ อย่างเวลาเราวางแผนว่าจะทำอะไรข้างหน้าเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกขัดขาดอยู่นิดนึง ถ, ถ้าอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเรากำลังจะเคลียร์งานหรือว่าอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าเราจะรู้สึกว่าชัดเจนปลอดโปรง่งอย่างนี้เกณฑ์ไหมครับอ่าโอเคของเราพูดง่ายๆว่า เดิมมันสั่งสมนิสัยมองไม่เห็นอนาคตม่พอคิดถึงอนาคตแลต้วกังวลแล้วแบบมันมืดๆเน่มมะมันมันเหมือนกับติดๆขัดๆอยู่ตลอดแต่ตอนเนี้ยคือคล้ายๆว่าเราคิดถึงอนาคตน้อยลงแล้วแต่นิสัยทำความคิดมันมันยังติดอยู่กับตัวเดิมอะที่ว่าคิดไปข้างหน้าแบบลอยๆไม่ได้วางแผนชัดเจน แต่ถ้ายัางจะเคลียร์งานตรงหน้ามันมีอะไรข้อมูลอยู่ชัดเจนแล้วแล้วคิดจะทําอะไรแบบง่ายๆสเตปบายสเตปมันจะรู้สึกว่าโอเคไม่มีปัญหาไม่ได้ติดอะไ ร, รให้สังเกตเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อไหรเรารู้สึกมีอะไรครอบอยู่บางๆนั่นแสดงว่าเรากําลังคิดถึงอะไรบางอย่างข้างหน้าแล้วคิดอะไรแบบอลอยๆเข้าใจพลอยนะแต่ถ้าเรารู้สึกปลอดโปรง่ง เออแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมันรู้อยู่กับปัจจุบันหรือกําลังมีโฟกัสอยู่กับงานในปัจจุบันก็งานของผมตอนนี้ก็คือกําลังฝึกสอนอยู่ครับก็เป็นนะเวลาที่ทําแผนการสอนอะไรพวกนี้ครับก็คืองานตรงหน้าผมจะทําได้คิด <ทำ S 2> ว่าเร็วง่ายครับเพราะว่าแบบมีเป้าหมายก็ทําไปตามนั้นนะครับและในการงานของผมครับก็คือจะทําย่างให้ให้แบบสอนได้ดีเอาจิตที่สว่างเป็นที่ตั้ง จิตที่สว่างแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างนี้นะแล้วก็เรามีความรู้อย่างนี้นะพอมาบวกกันเนี่ยมันจะกลายเป็นความไหลรื่นนะแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังสอนดีไม่พอหรือว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนพออะไรเงี้ยมันจะมีห่วงมีกังวลไปข้างหน้าหรือไม่ก็เออไม่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะ สังเกตที่อาการของจิตอย่างที่พี่ว่าเนี่ยถ้าเรามีข้อสังเกตมีจุดสังเกตว่าคิดไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีกรอบมันจะมีกังวลมันจะมีห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กับโฟกัสกับงานตรงหน้าจริงๆแล้ว ร, รู้สึกปลอดโปร่งนะั่นแสดงว่าอยู่กับจุดที่ถูกอยู่ถูกจุดอยู่ถูกทางนะแล้วก็สังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้สึกว่าเป็นอิสระ ไม่ต้องคาดหวังมันก็จะมาเองอยู่แล้วคว้ความสามารถที่จะถ่ายทอดที่จะทําอะไรดีๆได้เนี่ยเพราะว่าจําไว้นะจิตที่สว่างเป็นอิสระเบิกบานมีความรู้สึกว่าเคยคัสชัดเจนอยู่กับอะไรตรงหน้ามันจะมีความพร้อมที่จะเป็นระเบียบมีขั้นมีตอนแล้วมีเหตุมีผลแล้วมันจะสั่งสมทักษะความสามารถ ที่จะถ่ายทอดได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ายังมีห่วงมีกังวลแล้วก็มัวแต่คิดว่าทำยังไงถึงจะก้าวหน้ามันจะไปคิดถึงอุบายวิธีหรือว่าไปนึกถึงจุดที่ไม่ควรจะนึกถึงครับขอบคุณครับง่ายๆแค่นั้นเองค่ะสดยังอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนตอนที่ฝึกมามาทันใช่ไหมตอนช่วงแรกมันมันเหมือนกับมีอาการฝืน เข้าใจความรู้สึกฝืนไหมคือคล้ายๆเราพยายามจะทําตามใช่ค่ะแต่แต่เสร็จแล้วรู้สึกว่าข้างให้มันมีอะไรปนปวนอยู่ตลอดอันนั้นคือเรียกว่าเป็นคลื่นรบกวนนะของเราต้องต้องเน้นนับหนึ่งใหม่เรื่อยๆเลยนับหนึ่งที่ดูสังเกตฝ่าเท้านะยังยังของเราพอสังเกตไปเนี่ยไอ้คลื่นรบกวนในหัวมันก็ยังอยู่อยู่ดี คือมันไม่มันไม่รู้สึกว่าสบายชัดเจนคือมันไม่เข้าใจว่าคําว่าสบายเนี่ยแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่าสบายแล้วพอเราผ่านตรงนั้นไม่ได้มันก็เหมือนกับมันยังงงๆอยู่อย่างเงี้ยมันยังม้วนๆอยู่อย่างเงี้ยนะในหัวเนี่ยเต็ไมไปด้วยความรู้สึกว่าเออมีคลื่นรบกวนอยู่ตลอดเวลางั้นเราสังเกตอย่างนี้หนูก็ได้อ่านหลับตาใหม่นะนองหลับตาพอหลับตาไปเนี่ยทําความรู้สึกว่า ถามตัวเองง่ายๆเลยเนี่ยเท้าเราเนี่ยตอนเนี้วางอยู่กับพื้นจริงไหมถ้ามันวางอยู่กับพื้นเนี่ยเออแค่แค่นี้ตอนตอนนี้มันยังมีความรู้สึกฝืนฝืนอยู่ฝืนฝืนอยู่ข้างในคือมันไม่ได้ฝืนที่เทา้าแต่ฝืนที่ใจแล้วก็ยอมรับไปตามจริงว่าภาวะฝืนฝืนที่ใจเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วก็สํารวจไล่สํารวจมาต่อฝ่ามือเราสบายไหมถ้าหากว่ามันเกิดความรู้สึกสบายขึ้นเออเนี่ยเห็นไหมความฝืนมันน้อยลง คือมันไม่ได้หายไปทีเดียวแม้มันยังมีความรู้สึก อ, อัดอัดอู้อู้อยู่มันมันมันยังตันๆอยู่ข้างในก็ยอมรับไปนี่คือคือภาวะที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราสามารถที่จะยอมรับได้จริงๆรงอ่าแล้วคราวนี้ย้อนกลับไปที่เท้าใหม่เนี่ยเห็นไหมมันสบายขึ้นรู้สึกว่ามันเปื่น้อยลงเนี่ยย้อนไปย้อนมาแบบนี้ตามที่ตืนมันมันไม่ มีปัญหาที่ต้นคอเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับอะไรเงี้ยคิวเตอร์อะไรถ้าเดียวนานา น, า น, านเดี๋ยวนี้มันเป็นออฟฟิศซิโดอมกันหมดเนะี่ยนะีคือค <laughs> ือแบบพอพอนั่งไปนานๆเนะี่ยหญิงพี่ก็เป็นนะีมันก็อาศัยหลายอย่างออกกำลังกายเล่นยิมเล่นอะไรเงี้ยคือแล้วต้องมีวินัยกับตัวเองนิดหนึ่งเพราะถ้าไออ่า พวกคอบาลัยเนี่ยถ้ามันถ้ามันเกร็งขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งรบกวนทั้งทางโลกและทางธรรมคือแม้ว่าเราจะพยายามเจริญสติแต่ถ้าหากว่ามีไอ้ทุกขเวทนาตรงนี้มันเกินกําลังของสติเนี่ยมันก็มันก็จะรู้สึกว่าไปไม่ถึงไหนนะมันติดอยู่ที่ตรงนี้รัําไปต้องออกกาลังกายนิดนึงนะก็พอเรารู้สึกถึงคือโครงสร้างความคิด ของน้องเนี่ยมันจะออกแนวที่ว่าทำคิดแบบย้อนกลับไปกลับมามันมันไม่ค่อยจะเดินเป็นเส้นตรงอย่างพอเราอยากจะวันวันนี้ตั้งใจจะทำอะไรอย่างานี้อย่างนี้ถ้ามีเครื่องนบกวนหรือว่าเสียงชวนให้ทำอย่างอื่นอะไรบนี้บางทีเราเขวมันไม่ค่อยจะรักษาความตั้งใจ ให้แน่วแน่นะอตรงนี้มันมีส่วนด้วยมันมันมีผลคือบางทีเราจะไม่เห็น ว, ว่าการที่เราเปลี่ยนใจหรือว่าการที่เราไม่เดินทางนะหนึ่งสองสามไปจนถึงเก้าสุดท้ายเนี่ยมันมีผลยังไงนะเราก็จะสร้างความเคยชินในการที่วกไปวนมาคือบางทีตั้งใจทำอะไรไปอย่างหนึ่งเปลี่ยนใจง่ายๆหรือว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราคิดไม่จบเป็นคนคิดไม่จบมันย้อนไปย้อนมาอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีนะเวลาเราปรึกษาใครหรือว่าเราตั้งใจว่าจะเอาอย่างนี้แล้วมันก็ย้อนกลับมามันมันหาความแน่นอนไม่ได้เนี่เวลาที่จะฝึกจิตเนี่ยมันฝึกจากชีวิตประจำวันตรงนี้แหละถ้าเรารู้ตัวว่าจิตของเราเนี่ย มันคอยจะย้อนไปย้อนมาเราต้องแก้ที่ตรงนี้เลยคือไม่ใช่ว่าเราจะมาปรับเอาด้วยการนั่งสมาธิอย่างเดียวเราต้องเริ่มตั้งแต่การตกลงกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะตัดสินใจผิดหรือถูกจะต้องรับผิดชอบกับอะไรมากหรือน้อยก็ตามถ้าหากว่าคิดแล้วตกลงใจแล้วให้เอาตามนั้นไม่มีการย้อนกลับมาคิดใหม่ไม่มีการย้อนกลับมาว ก, ก, กวนอยู่กับ ใจตัวเองในหัวไม่เลิกนะพอเริ่มจากอะไรที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะได้มีผลลัพธ์ที่เป็นตัววัดผลชัดเจนด้วยว่าจิตของเราเนี่ยมันออกจากอาการวกวนแล้วหรือยังคือถ้าเราออกจากอาการวกวนเนี่ยนะเราจะทําเป็นขั้นเป็นตอนไปจนถึงเป้าหมายแล้วก็ไม่คิดยอกย้อนแต่ถ้าหากว่า เ, เราเป็นคนที่ยัง เอาตามนิสัยเดิมเนี่ยคิดแล้วมันจะไม่จบตัดสินใจไปแล้วอยกตัวอย่างเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อมันคิดเป็นสิบรอบเลยนะแล้วคนแบบเราเนี่ยมันจะเหมือนกับรู้สึกว่าทํางานหนักเพราะว่าเราเราคิดแล้วไม่จบคนที่ทํางานหนักบางทีนะหนักเป็นสามหรือสี่เท่าหรือเป็นสิบเท่าเพราะคิดสามหรือสี่รอบหรือเป็นสิบสิบรอบ เข้าใจไหมคนที่คิดรอบเดียวจบมันจะเหมือนกับทางานแล้วเสร็จแต่คนที่คิดไม่จบเนี่ยมันจะเหมือนกับทางาน4ี่ห้าเที่ยวหรือเป็นสิบสิบเที่ยวทำอยู่ในใจมันจะเหมือนกันงานหนักกว่าที่ควรจะเป็นงานหนักผิดปกติตเน่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพอตกลงกับตัวเองไม่ได้อย่างเดียวเนี่ยนะ เหมือนกับชีวิตเนี่ยหาจุดหมายไม่เจอคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่อย่างตอนนี้ที่เห็นคือเราตั้งใจดีแล้วละ่ะอยากจะมาทางธรรมอยากจะมาเลยแต่เห็นไหมบางทีมันมันก็ย้อนไปย้อนมาวันนี้คิดตั้งแต่เช้าเดี๋ยวมาเดียด๋วยวนนไม่มาเดี๋ยวมาดีไม่มาค่ะในในที่สุดธรร ม, มชนะอธรรมยินดีด้วยนะโอเคจ้ดาวใช่ไหม ก็ยังทำในรูปแบบอยู <t une> <t une <t une> <t une ่ทุกวันนะคะแล้วก็ไปนั่งนานขึ้นถ้ามีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่พี่บอกว่าเห็นตามจริงยอมรับตามจริงก็นั่งเหมือนที่นั่งเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ก็ดีนะแต่ว่ามันตั้งใจมากไปนิดนึงคือตั้งใจจะเล็งผลเลิอดอ่ะคือคืออยากจะขึ้นต้นมาเนี่ยเราเราไม่ได้สังเกต สิ่งที่กำลังปรากฏตามจริงแต่มันมันตั้งต้นมาด้วยการเล็งผลเลิอดก่อนเข้าใจความแตกต่างไหมอย่างอย่างตอนเนี้ยถ้ารู้สึกถึงความรู้สึกว่ามันพยายามทบทวนอยู่เนี่ยอันนี้คือเรียกว่าของจริงแต่ถ้าตอนเราจะนั่งสมาธิขึ้นมาเนี่ยเราคิดถึงภาวะที่มันดีก่อนคือไม่ได้คิดถึงภาวะที่มันกำลังปรากฏอยู่ตามจริง มันมีเจตนาตั้งขึ้นมาเข้าใจที่พี่พูดป่ะเดี๋ยวเข้าใจจริงๆว่ามันมันมองเห็นไหมถึงถึงเจตนาคือไม่เห็นถึงเจตนาก็รู้สึกสบายดีอย่างเงี้ยค่ะนั่งก็รู้สึกสบาย อ, อะแล้วทีนี้เรารู้สึกไหมว่าในความสบายนั้นเน่ยมันมันมีความตั้งใจอยู่ตั้งใจที่จะดูลมไม่ใช่คือตั้งใจที่จะทำให้มันนิ่ง ตั้งใจที่จะทำให้มันมีความสงบดีๆโอเคไม่ไม่เป็นไรคือถ้าถ้ามองไม่เห็นเนี่ยลองไปลองไปสังเกตนะคือของเราตอนที่มันสบายมันโอเคนะมันมันรู้แต่ว่าไอความรู้สึกเหมือนกับพยายามที่จะให้มันนิ่งเ่มันยังมีอยู่นิดนึงซึ่งซึ่งตรงนั้นถ้าถ้าเห็นได้มันจะมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นจิตมันจะกว้าง กว้างขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คือมันสบายจริงไม่ใช่ไม่สบายนะแต่ว่าในอาการสบายนั้นแนหะมันคล้ายๆพยายามพยายามทำให้มันดีด้วยมันนิดนึงคือเอาเอาเนี้ยนั่งนั่งตรงนี้เดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูนั่งเลยโอเคไม่ไม่่เป็นไรไม่เป็น <c oughs> ไรแล้วดูดูอาการเกร็งไปนี่เดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดู อ, อย่างนี้โอเคนะอันนี้คือการยอมรับว่ากาลังเกิด อ, อารมณ์ที่มัน ที่มันเกร็งเห็นไหมมันผ่อนคลายแล้วแค่แค่ยอมรับนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดาวลองไปดูนะกลับไปดูเองคือคือในอารมณ์ที่มันเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันทำได้แต่ว่าพอเรารู้สึกถึง อ, อ, อย่างอย่างเอาง่ายๆที่ดาวบอกว่ามันรู้สึกเกรงเนี่ยแล้วเราปฏิเสธ เรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากมีอารมณ์นี้เนี่ยไอ้ น, นี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากความหวังความคาดหวังว่าจะทําให้มันดีคือคือของดาวเนี่ยมันจะมีอารมณ์ตรงนี้เคลือบอยู่นะทีนี้มันต้องสังเกตต้องอาศัยการสังเกตและสิ่งที่จะทําให้เราเกิดข้อสังเกตได้เป็นอันดับแรกแรกๆเลยก็คือว่ามันจะปฏิเสธภาวะที่ไม่ค่อยดี มันจะไม่ไม่ชอบที่มีอาการเกรง็งหรือมีอาการที่มันพุ่งซ่านหรือมีอาการที่มันเป็นเป็นลบเป็นใ น, นทางเน é g a ีฟนี้พอเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าสามารถจะเห็นทั้งไออะไรที่มันเป็นน é g a ีฟแล้วก็ที่มันเป็น posit ีฟได้ทั้งคู่ใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเห็นว่าความคาดหวังความเล็งผลเลิอเนี่ยมันน้อยลง คือคือจะบางทีไปจับตัวอารมณ์เล็งผลเลิ่นเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งคือมันไม่ได้มีเป็นก้อนๆให้ดูง่ายๆแต่มันมีให้ดูผ่านปฏิกิริยาบางอย่างของใจหรือว่าเนี่ยอาการชอบหรือไม่ชอบอาการชอบหรือชังบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าคลายแล้วพอคลายเนี่ยเราจะยอมรับได้ง่ายเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มี ความรู้สึกฝืนๆอยู่นิดๆมันมันมันจะไม่ถูกรูแลมันจะถูกมองข้ามไปนั่นเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าแรกเนี่ยเราจะเอาแต่ดีกบดีคือมันเล็งผลเลิศเข้าใจพอยพี่นะแต่นี้มันอาจจะต้องกลับไปดูนิดหนึ่งกลับไปสังเกตดูคือพอยของพี่คือว่าเราดูได้สบายจริงเราดูได้ดี แต่ว่าเรายังมีอารมณ์แบบเริงผลเลือดอยู่นะแค่นั้นเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแบบในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่ามีมีความรู้สึกตัวมากขึ้นเห็นอารมณ์ตัวเองชัดขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองคี้หุดหงิดจริงๆด้วยแล้วก็ตอนที่เห็นแล้วก็ยอมรับอยู่กับอาการหุดหงิดมันยากมันนั่นไงนทีนี้ทีนี้พอเห็นตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยดาวจะค่อยๆมองออกมากขึ้นเป็นเปล่า คือจากจากตอนแรกที่มันเห็นแค่อาการหงุดหงิดอาการไม่พอใจนะมันมันจะเริ่มปรากฏเป็นทุกขเวทนาที่ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วเราก็จะยอมรับยอมรับยอมรับพอยอมรับไปมากๆเข้าในไออารมณ์ไม่พอใจเหล่านี้นะในที่สุดมันจะขุดเข้าไปถึงรากรากเริ่มต้นขึ้นมามันมันเลง็งแต่ว่าจะเอาแต่ดีก็ดี คือถ้าไม่มีตัวเลงตรงนี้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นมันจะไม่หุนหิน ง, ง่ายมันจะเป็นคนที่สามารถยอมรับไอ้ความไม่เพื่เป็กของโลกได้มากขึ้นมากขึ้นพอยท์มันคือตรงนี้นะพอเราเจอพูดง่ายๆว่าเจอปมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเออเหมือนกับหลุดเหมือนกับผ่อนคลายเหมือนกับอะไรที่มันล็อกเราไว้มานานเนี่ยมันมันปลดล็อกออก แต่ปลดล็อกแล้วมันไม่ใช่จะปลดเลยนะคือเดี๋ยวมันก็กลับมาล็อกใหม่ไ ด, ด, ด, ด้เดี๋ยวก็ล็อกเดี๋ยวก็ปลดเดี๋ยวก็ล็อกเดี๋ยวก็ปลดเราดูแค่ตรงนี้แหละเวลาที่เรารู้สึกสบายจริงๆมันจะโล่งแล้วก็ไม่หงุดหงิดง่ายแต่ถ้าหงุดหงิดง่ายไม่ใช่เราไปปฏิเสธมันคือหน้าที่ของเราต้องเห็นว่าไอ้ที่หงุดหงิดเนี่ยมันมันมีหงุดหงิดขึ้นมาวูบหนึ่งพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็หายไปจางไปแล้วเวลาเวลาฝึกเราก็ฝึกอย่างนี้แหละ ตอนนั่งสมาธิตอนอะไรเนี่ยมันเริ่มจากการเห็นยอมเห็นแล้วยอมรับตามจริงนะพี่คะแต่ว่าเวลาหดุดีดมันไม่แค่เป็นวูบบู่อะค่ะมันหุดหิดนานมากแล้วเราต้องชนเลยไหมคะเลยต้องแบบต้องตั้งชนคือคือถ้าถ้าใช้อานาปานาสติคือฝึกอานาปานาสติไปมันจะเป็นตัวตั้งของสติที่ดีได้เข้าใจไหมคือคือถ้าเราไม่มีหลัก ถ้าเราไม่มีไอ้กำลังที่จะเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงเนี่ยมันจะสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้มันมันจะเหมือนกับได้ที่ตั้งได้ได้ตัวตั้งได้หลักที่ยืนนะมันจะมันจะรู้สึกว่ามีกำลังที่จะยอมรับความจริงมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าความสามารถในการยอมรับความจริงเนี่ยแต่ละคนมีน้อยหรือมาก บอกได้เลยนะคนส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะยอมรับความจริงน้อยอย่างพี่เองเนี่ยคือตอนแรกๆเนี่ยก่อนที่จะมาฝึกก่อนที่จะเข้าใจพอยต์ของการเจริญสติจริงๆเนี่ยนะมันเป็นคนไม่ยอมรับอะไรเลยเป็นคนมีความไม่พอใจในตัวเองสูงมากโน้นนิดนี่หน่อยนะในตัวก็ดีนอกตัวก็ดีสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ย บางทีมันเกิดความไม่พอใจแค่ความไม่พอใจตัวเดียวเนี่ยมันทําให้มองชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกับไม่ดีพอแล้วก็จะไปพยายามแก้ไขให้มันดีตามที่เราคิดตามที่เราเข้าใจว่ามันน่าจะโอเคเนี่พอแก้ไขไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์สะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็มีผลทางใจทําให้เราเนี่ยเป็นคนหงุดหงิดง่าย เป็นคนที่รู้สึกว่าอะไรอะไรนิดอะไรอะไรหน่อยเนี่ยมันสามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้มากมายนะนอนไม่หลับได้นี่พอเริ่มฝึกที่จะยอมรับความจริงที่ทุกคนสามารถยอมรับได้หมดนั่นคือหายใจเข้าหรือกําลังหายใจออกอยู่แล้วมีแล้วพัฒนาสติขึ้นมาจากตรงนั้นจากความสามารถที่จะยอมรับว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออก ความสามารถที่จะรู้ว่าหายใจยาวหรือหายใจสั้นนะมันจะค่อยๆสะสมกำลังที่จะเห็นแล้วก็ออมองมองสิ่งที่กำลังขึ้นตามที่มันกำลังเป็นจริงเพราะว่าการการเห็นลมหายใจเนี่ยคือการยอมรับตามจริงอย่างที่สุดเลยนะขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายนะคะตอนที่นั่งอะคะ่ะช่วงที่มันนิ่งไปแล้วอะคะ่ะบางทีมันวูบ ก, ก็คือยอมรับ ควจริงวมันวูบอย่างนั้นหรอคะคือมันไม่ได้ม่วงอะค่ะแต่มันเหมือนใช่คือพอยอมรับว่าวูบเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจถึงกลไกธรรมชาติของจิตเขีนว่าเนี่ยขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้คือมันจะต้องมีวูบบ้างมีวูบวูบวาว่าบ้างเข้าใจเข้าใจอันนั้นแ่ะมันเป็นผวังมันมันเป็นผวังสั้น พวังมีอยู่สองแบบนะวังสั้นๆที่ทำให้รู้สึกวูบวูบ้าบแล้วก็กลับมาตั้งใหม่ได้การพวังอีกแบบคือวูบแล้วหายไปช่วงหนึ่งเลยนะอ่าเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือเราแค่สังเกตว่าพวังมีอยู่สองแบบนะเราเราเจอพอวังสั้นเราก็เห็นว่ามันเป็นภวังสั้ น, ยยนอ่<า>แค่ยอมรับว่านั่นะคือผวังสั้น มันจะได้เห็นไงว่าจิตอ๋อธรรมชาติของจิตเขาเป็นแบบนี้บางทีก็มีอาการของสติอยู่บางทีก็มีอาการบู้ๆว่าวัาากตกหลุมอากาศนะพอพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันแทนที่จะอยู่กับความคาดหวังว่าจิตมันจะมีแต่ดีกับดีมีสติอย่างเดียวมันก็จะเกิดความเห็นตามจริงว่าจิตเนี่ยต่อให้ฝึกมาแค่ไหนก็แล้วแต่มันต้องมีสติที่ตื่นขึ้นบ้างแล้วก็มีตกหลุมอากาศบ้างเป็นเป็นครั้งเป็นคราวนะ พูดตดเลยค่ะทีูดตลอดเนี่ยเพราะว่าพูดประมาณสักแบบมันไม่ได้ต่อนเนื่องนะคะที่เป็นวูบวูบแต่ว่าสักแบบ <ร S 2> ถ้านั่งนานเนี่ยจะจะรู้ได้เลยว่ามันหลังๆคือช่วงแบบมันนั่งไปสักพักก็ ม, มองไปว่ากําลังของจิตเราเนี่ยมันแบ่งไปทําภาระหน้าที่ในระหว่างวันนะยิ่งเราไปต้องรักษาคนไข้ต้องอะไรต่อเมียอะไรแล้วมันมันมีความรู้สึกเหมือนกันเหนื่อยอ่อนเนี่ยนะ มันก็คือเหตุปัจจัยให้เกิดหลุมอากาศทั้งนั้นแหละนี้ถ้าเราไม่ไปคาดหวังว่ายิ่งนั่งสมาธิไปยิ่งเนียนยิ่งดียิ่งของเส้นของวาแต่ยิ่งนั่งไปเรายิ่งเห็นว่าความจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้ร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าจิตมันฟุ้งซ่านในระหว่างวันมากเป็นในเรื่องการงานภาระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดหลุมอากาศขึ้นเป็นจังหวะจังหวะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราสามารถอยู่กับชีวิตตัวเอง ได้ด้วยปัญญานะเห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นปัจจัยของความไม่เที่ยงแล้วมันจะเห็นสั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆจนงไงทั้งรู้สึกว่าเออสมาธิเนี่ยมันก็ดีนะแต่ไม่ได้จำเป็นมากเท่ากับการตั้งมุมมองไว้อย่างถูกต้องถ้าหากว่าเราสามารถตั้งมุมมองไว้อย่างถูกต้องสัองเกตเห็นไอ้ความไม่เที่ยงได้จริงๆเนี่ยจิตมันจะเป็นยังไงเราพอใจได้หมดพอใจตรงการเห็นไม่ใช่พอใจตรงที่มันดีกับดีนะ โลก็วันนี้มาครั้งแรกนะครับผมก็อยาก ท, ที่อาจารย์ให้ทําสมาธิเมื่อกี้ผมทําไม่ได้เลยผมวูบทสามครั้งแล้วเหมือนก็เริ่มต้นใหม่อะครับแต่วูบไปสามครั้งเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะประสบความสําเร็จในการทําสมาธิแล้วเจออารมณ์วูบคือมันเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ทุกทีมันมันเหมือนว่าอามาไม่ใช่<ด>ทุกคนนะถ้าดวูบวูบนี่ถือว่าเก่งนะ บูมได้เนี่ยเพราะาว่าสแสดงให้เห็นว่าเราก็อยู่กับสมาอารมณ์สมาธิพอสมควรไม่ได้พุ้งสั้นอย่างเดียวครับเ<ะ>นี่ยคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าท้อแท้เจออารมณ์บูบแล้วมัน ท, ทําสงสัยจะทําไม่ได้สงสัยไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่นั่งสมาธิไปแล้วบูมนะมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราเกือบๆจะเป็นสมาธิได้แล้วมันถึงวูมนะ ถ้าหากว่ามันไม่พูบเนี่ยแสดงว่าในหัวเราเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ได้อยู่กับอารมณ์สมาธิเข้าใจพลอยนะ้ามันมันตั้งใจเกินไปว่ะของคุณคือวหลัหลงจากที่ตั้งใจแล้วมันบุบพล อ, อยของจิตของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าอ่เอางี้พูดพูดง่ายๆเลยให้เข้าใจนะอย่างที่ทํางานมาเนี่ย เรื่องบางเรื่องไม่ต้องทุ่มอารมณ์หนักเกินไปคุณก็ทุ่มหนักเกินไปะนะนะหรือบางทีเนี่ยคือเรื่องปัญหาบางอย่างพอมันคาลาคาสังมากๆปล่อยเลยช่างมันช่างหัวมันอะไรแบบเนี้นะคือคือมันจะมีอยู่สองอารมณ์หนักเกินไปหรือไม่ก็ปล่อยเลยเพราะเพราะมันเพราะมันรู้สึกเหมือนกับว่าด้วยด้วยอารมณ์ที่ว่ามันมาสุดทางน่ะ นะบางบางครั้งเราจะาคือเคยชินกับการทุ่มหนักจนกระทั่งจนกทั่งมันหมดแรงเข้าใจเข้าใจคำว่าหมดแรงใช่ไหม<ช>คือคือมันหมดกำลังใจอ่ะอ่านะโอเคทีนี้ตรงนี้ถือว่าจูนติดแล้วนะพ o i n t ของจิตของคุณคือว่า ทุ้มหนักเกินไปกับเรื่องที่บางทีไม่จำเป็นต้องหนักก็ได้พอเรื่องที่หนักจริงๆ ร, รู้สึกมันสุดแรงเลยนะ เ, เวลาที่นั่งสมาธิพฤติกรรมหรือความเคยชินในการทำงานมันก็ย้อนกลับมาคล้ายๆกันอย่างตอนจะดูลมหายใจคือเมื่อกี้คุณฟังผมก็จริงบอกว่าเออแค่ ส, สังเกตฝ่าเท้าไปสังเกตมือไปแต่เห็นไหมมันมีอาการตั้งใจตั้งใจปล่อยเข้าใจพลอยนะคือพอพอดูพอดูฝ่เออาเท้าผมแค่ให้สังเกตเฉยเฉยว่ามันเกร็งอยู่งออยู่หรือว่ามันวางสบายแต่คุณไม่จ้องฝ่าเท้าเลยเข้าใจพลอยนะ น, นี่จุดเริ่มต้นนะพอดูลมหายใจคุณตั้งใจในลักษณะที่ว่าเรากาลังจะทำสมาธิ อารมณ์ของคนที่แบบตั้งใจกําลังจะทําสมาธิเข้าใจใช่ไหมมันจะมีอาการมันจะมีแบบตั้งอกตั้งใจไม่ให้หลุดครับผมมันจะมีอาการตั้งจบออกตั้งใจว่าเออเราจะดูลมหายใจจริงจังนะเนี่ยตัวตัวความรู้สึกแบบนั้นเนะี่ยทั้งๆ้ง ท, งที่ตอนที่ผมพูดว่าเออแค่สังเกตเฉยเฉยก็พอว่าลมหายใจมันกําลังจะเข้าหรือมันจะออกมันฟังแล้วเข้าใจก็จริงนะแต่ว่าตอนทําเนี่ยตอนปฏิบัติเนี่ย มันก็ยังมีอาการฝืนใจอยู่มัมันไม่ใช่ฝืนใจฝืนบังคับฝืนกับลมลมเนี่ยมันเข้ามันออกเฉยเฉเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอ ย, อย่างนี้เรียกว่าจิตสบายนะครับผมไม่หนักอ่าไม่หนักแต่ย้อนทบทวนไปตอนที่เราเราฝึกกันตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ครับมันรู้สึกเหมือนอึ้งอึ้งมันรู้สึกเหมือนไงพยายามสบาย อ, ะอ่ะเข้าใจคําว่าพยายามสบายไหม พอพยายามเนี่ยมันไม่สบายแล้วแต่ตอนนี้มันไม่มีความพยายามมันมีแต่ยอมรับสภาพครับที่ที่คุณฟังผมมาเนี่ยคือพอมันเข้าใจว่าอารมณ์ของของเรามันคล้ายเคลื่อนที่ตรงไหนผิดที่ตรงไหนเนี่ยพอยอมรับตรงนั้นปุ๊บมันก็หลุดจากไอ้ภาวะตรงนั้นครับผมแล้วมันก็กลายเป็นสบายอย่างตอนเนี้ยมันมันเปลี่ยนและน้ําหนักน้ําหนักมันเพอเริ่มเห็น จำไหมนะว่า อ, อ, อย่างอย่างอย่างผมพูดไปเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าจะดูหน้าตาความพยายามมันเป็นยังไง ร, รู้แล้วใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นอีกก็ก็ขอให้แค่รู้รับรู้ยอมรับว่ามันเกิดภาวะความพยายามหนักหนั ก, นกอึ้งๆขึ้นมามันจะผอนไปมันจะเบาไป แล้วก็มีความพร้อมที่จะดูลมหายใจหรือว่าพร้อมที่จะเห็นฝ่าเท้าฝ่ามือใบหน้าตามจริงตรงตามจริงต่อไปเนี่ยยังอาการของจิตแบบนี้นะมันเป็นคนละคนกับที่มันเคยชินมาต ล, ลอดแล้วยั ง, ยงตอนเนี้ยคุณลองคิดดูนะถ้าจะต้องไปแก้ปัญหาถ้าจะต้องไปรับมือกับหน้าที่การงานอะไรเนะี่ยถ้าด้วยจิตแบบนี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าเออไม่ต้องคิดหนักเกินไปก็ได้ มันจะรู้สึกว่าเออแค่คิดแบบเบาๆสบายๆเหมือนกับเรามองเห็นสวิตไปมองเห็นว่าผนังสีอะไรมองเห็นว่าตัวหนังสือปรากฏอยู่ในหน้ากระดาษแบบไหนคือมันไม่ต้องเอาไอ้ความตั้งอกตั้งใจเกินพอดีมานําหน้าที่ผ่านมาเนี่ยมันพยายามเกินพอดีมาตลอดนะแล้วมันจะเหมือนกับมีอะไรหนักๆอึง้งๆนําหน้าอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากว่าให้ความเบาให้ความรู้สึกว่าเออสามารถที่จะยอมรับอะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ตามจริงด้วยอารมณ์แบบนี้นะมันจะเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราเลย <c oughs> คือเราจะ เ, ออเริ่มต้นด้วยการสามารถชั่งน้ําหนักถูกว่าตรงเนี้ควรโฟกัสจริงจังหรือว่าแค่มองเฉยเฉยก็พอแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างถูกตีค่าเท่ากันหมด มีน้ำหนักเท่ากันหมดคือต้องจริงจังอันนี้ไม่ต้องจริงจังก็ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธินี่ทำแบบสบายสบายโอเคครับขอบคุณครับครับก็อยากให้พี่ตุลช่วยแนะนำว่าควรจะโฟ ก, กัสตรงไหนครับจิตของเราบางทีมันรู้สึกว่างๆสบายๆนะแต่มันจะมีไอความความเครียดหรือว่าไออารมณ์สะสมอ่ะ ที่มันเป็นขยะเราจะรู้สึกได้มันมีอะไรเกละกลังอยู่แต่ว่าใจมันโล่งๆนะบางท <c oughs> ีซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเรลัคซ์อยู่ในห้องแบบนี้คร <c oughs> ต่ว่าออกไปข้างนอกมันก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้คือถ้าทำอนาปานาสติแบบที่พี่สอนตอนแรกได้มันจะมีตัวตั้งเป็นจิตที่เบาอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> เราก็สามารถสังเกตแยกแยะออก ก็มีอะไรอารมณ์ตกค้างเปลือกกลางนะฮะมีเปลือกมันมันจะเหมือนกับเปลือกความคิดเนี่ยมันแข็งแข็งอยู่ห่อหุ้มอยู่ข้างนอกแต่ว่าใจเราสบายเราก็ดูไปว่าใจที่สบายเนี่ยมีอะไรห่อหุ้มอยู่มันก็จะเหมือนไงอะไรห่อหุ้มอยู่ที่มันเป็นเปลือกเปือกนั่นแหละมันสลายตัวให้เห็นได้เนี่ยอย่างย่งตอนเนี้ยอันนี้คือพยายามพยายามไปสลายมันพอพยายามปุ๊บมันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่สติแต่มันเป็นเจตนา จงใจเจาะจงว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการตัวนี้แหละที่ทำให้เราเครียดเครียดแล้วไม่มีจังหวะรีแล็กซ์ตัวที่จะทำให้เรามีจังหวะรีแล็กซ์ได้จริงคือเนี่ยเริ่มต้นจากทำสมาธินะดูลมหายใจตามสเต็ปอย่างที่เราฝึกกันเสร็จแล้วมองเห็นด้วยอาการยอมรับตามจริงว่ามันมีนอย่างตอนนี้เปิด เห็นความต่างไหมพอพอมันรับรู้เฉยๆว่ามีอะไรยังแข็งๆมีอะไรเป็นเปลือกๆอยู่ความเครียดที่มันสะสมมามันหลายเรื่องของเรานี่คือมันปัญหาเยอะจริงนะแล้วบางทีเนี่ยมันมันยุ่งเยิงมันพันๆกันเวลาที่ปัญหามันพันๆกันแลวส่งผลมาปรุงแต่งให้จิตเนี่ยมันพันๆตามไปด้วยเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดคือว่าเราต้องมีจังหวะเบรกไม่งั้นมันจะพันไปเรื่อยๆแล้วร้อยร้อยรัดตัวไปเราจะรู้สึกเหมือนเครียดเครียดเครียดนะไม่เกรนขึ้นแต่ถ้ามีจังหวะหยุดพักแต่ต้องพักจริงๆไม่ใช่แกล้งพักไม่ใช่ไปดูหนังปังเพลงของเราเนี่ยขนาดดูหนังปังเพลงก็แล้วไปเที่ยวทะเลก็แล้วอะไรมันจะยังรู้สึกว่ามันพันอยู่ไม่หายมันมันจะว่างขึ้นมาได้แป๊บเดียว ถ้าถ้าอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกแต่ถ้าหากว่าเราฝึกอาณาปานัตสติไปนะจนกระทั่งมันกลายเป็นกําลังหนุนของเราจริงๆเราสามารถอยู่กับตรงนั้นได้ อ, อทุกเวลาที่ปรารถนาเนี่ยนะมันจะเหมือนกับมีตัวตั้งใหม่ตัวความว่างตัวใจที่ว่างที่มีความสามารถจะเห็นว่าความเครียดหรือว่าความคิดที่เกาะกลุ่ม หัวอยู่นี่มันเป็นเพียงเปลือบที่มองไปปุ๊บมันก็จะเหมือนโล่งไปอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยมันบางมันมันมีเป็นจังหวะจังหวะที่เราสึกเหมือนไงอะไรมันเปิดเปิดไปเนี่ยถ้าเห็นแบบนั้นบ่อยๆความเครียดมันจะหายเลยนะแต่ต้องเห็นบ่อยแล้วต้องไม่ลืมคือไม่ลืมที่จะสร้างตัวตั้งไม่ลืมที่จะสร้างกําลังแล้วก็ไม่ลืมที่จะสังเกตสังเกตแบบที่พอจะจําได้ไหมว่าวิธีสังเกตมันยังไง ท, ที่พอฟังพี่พูดเนะี่ยว่ามันเหมือนมีเปลือกอะไรแข็งๆเนะี่ยแล้วเรารู้สึกโล่งไปอ่ะแค่รู้อย่างยอมรับตามจริงนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปพยายาม Copy ไม่ใช่ไปพยายามเรียนแบบอย่างที่พอเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพอเราโล่งได้อ่ะมันจะพยายาม Copy ก, กลับไป Copy นะคือไม่ใช่นะมันกลับมาอีกช่างมันแล้วก็เห็นด้วยอาการยอมรับว่ามันกลับมา ทุกครั้งที่เห็นด้วยอาการยอมรับมันจะเป็นทุกครั้งที่มันเปิดโล่งออกไปแต่จำไว้ถ้ามันไม่เปิดเนี่ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมันยังมีอาการหนวงนงก็เพราะว่ามันมันมีความจงใจนึกถึงภาวะโล่งไม่ได้ไม่ได้มีอาการยอมรับถึงเปลือกที่มันกําลังห่อหุ้มอยู่คนะงคงได้อีกสามคนนะเราคนอื่นคือคือเดี๋ยวจะเปิดเรื่อยแล้วก็ เนี่ยหลายคนคือพอฟังไปมันมันก็ได้อยู่แล้วอเนาะมันก็เหมือนกับเข้าตัวมันปัญหาของคนส่วนใหญ่มก็คือปัญหาของเรานั่นแหละปัญหาของจิตเอที่คนเมืองพยายามเจะเริญสติเนี่ยนะมันคล้ายๆกันอ่ะมันต้องทํางานแล้วทุกวันเนี่ยงานมันไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราต้องเดินทางออกนอกบ้านมันจะสะสมอารมณ์ที่มันเป็นลบ แล้วก็เนี่ยไอออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นเยอะที่สุดเนี่ยนั่งต้องนั่งนานนั่งแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนบางทีบางบริษัทนี่ลุกขึ้นมาเจ้าหนายดูอีกเนี่ยบอกทำไมลุกบ่อยจังเนี่บางทีเหมือนกับโดนโดนจับผิดลุกบ่อยก็ไม่ได้ทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่จริงๆแล้วอาการลุกบ่อยเนะคืออาการทำงานที่ถูกต้องที่สุดสิบนาทีเนี่ยควรจะหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยควรจะมาเดินยืดเส้น ย, ยืดสายดีนะอ่ะโอเค สวัสดีครับก็าเรื่อยๆครับผมจะที่วิธีสํารวจง่ายๆนะอย่างของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบความบันเทิงนะใจมันจะชอบคิดถึงความบันเทิงเน่ะจะเสียงเพลงจะอะไรที่แล้วแต่ที่เราเคยชินอยู่อะเซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคารวานเราแต่ลองสังเกตถึงอาการปล่อยจิตปล่อยใจมันจะไม่เท่ากัน ในแต่ละวันบางทีปล่อยเตลิดไปจนกระทั่งเหมือนจิตมีอาการปุ้งซ่านเฟรเจอเข้าใจใช่ไหมแต่บางทีมันรู้สึกว่าเออบันเทิงพอหอมปากหอมคอแล้วเรากลับมาเจริญสติใหม่ได้คือความแตกต่างกันที่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองคือถ้าอะไรมันเกินถ้าอะไรมันเลอวเถอะเลื่อนลอยไปแล้วเนี่ยแล้วคิด มันเหมือนกับคิดแบบคนในโลกที่มันไม่ไม่มีขีดจำกัดไม่บรญญะบัญญังนั่นแสดงว่าหลุดออกนอกทางแล้วเยอะเยอะเกินคือมันตามใจตัวเองของเราเป็นคนชอบตามใจตัวเองในทางบันเทิงแต่ลองสังเกตช่วงไหนที่มันคุ้นคิดถึงอาการจ ะ, ะคุ้นคิดอย่าไม่ใช่คุ้นคิดคือมีความใส่ใจ ในการเจริญสติมันจะเหมือนมีตัวเบรกมันจะเหมือนมีตัวบัญญะบัญยังเว่าไอ้ตรงนี้เพลินมากเกินไปแล้วนะมันจะรู้สึกรู้สึกผิดขึ้นมามันมันจะเหมือนกับไม่ได้ทาหน้าที่ให้มันดีให้มันถูกให้มันครบแล้วตัวเนี้ยมันก็จะตะล่อมให้เรากรับเข้าทางมาเจริญสติมาเดินจงกรมมาอะไรเงี้ยนะนี่เราก็สังเกต น, นี่แหละคือ อันนี้เฉพาะตัวเลยนะก็คือว่าถ้าจะสังเกตง่ายๆก็คืออาการไม่บรรยะบรรยังจิตมันจะพราาเรือนมันจะออกแนวแบบเพ้อเจ้อมันมันจะเพ้อพกไปแล้วก็อะไรมาดึงเราก็ไปตามนั้นแล้วบางทีเนี่ยคือเรารู้อยู่นะอะไรที่มันมันเกินเกินเนี่ยคือถ้าหากว่าไม่เบรกมันเราจะ ก็จะโดนฉุดไปเรื่อยคือมันเหมือนกับบอกตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรากลับกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่จริงนะมันเอาใหม่ไม่ได้เสมอไปนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าไปสร้างความเคยชินไว้แล้วว่าพี่มันตามใจตัวเองก็ได้ในที่สุดเนี่ยจะเจอตัวเองหลงอยู่ในทะเลทรายหาทางกลับไม่เจอ ของเรางดเดี๋ยวมันจุกไงมันมันมันเออคือคือต้องต้องมีเขาเรียกว่ามีความใส่ใจเพราะเพราะของเราเนี่ยตั้งใจเบรกเนี่ยไม่ได้นะใจมันไม่ยอมเชื่อนะคือพอเบรกตัวเองบ่อยๆเดี๋ยวมันหลุดเลยมันบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วมันมันมันชอบตามใจตัวเองอนี่ถ้า หากว่าเราเพิ่มความใส่ใจเพิ่มฉันทะในการเจริญสติในการปังธรรมในการไปอยู่กับบุญกุศลเนี่ยเอาตรงนั้นดีกว่าเพราะเพราะบางทีมันขาดกำลังใจมันขาดกำลังความสว่างแล้วมันก็เลยเหมือนกัหันไปหาความคยชินแบบเดิมเดิมทีถ้าเรา เ, เหมือนการเอาขนมหวานมาล่อ นะขนมหวานนอีกแบบหนึ่ง<ม>ซึ่ง เ, เป็นขนมหวานที่มันไม่ใช่ ช, ช็อกโกแลตแต่มันมีหวานเครือบขมอ่ะคือคือจะต้องทวนกระแสนะตัวเนี้ถ้าหากว่าเราหาจุดที่มันเป็นตัวสร้างฉันทะได้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะในทางทำในทางที่อันนี้พี่ช่วยหาให้มันก็หาไม่ค่อยเจอ อย่างอย่างสวดวันบางทีเราก็รเราเรายัางไม่ค่อยสวดแบบที่มันสวดแล้วมีความสุขไะคือเราเราสวดเป็นหน้าที่ลองดูอาการของใจตัวเองนะเวลาสวดเนี่ยมันเหมือนกับเฮอ่ามันเป็นทีนี้ถ้าสวดให้บ่อยขึ้นหมายถึงว่าสวดมากรอบมากขึ้นนะเอาใช้วิธีนี้เลยน่าจะเวิร์กสวดตั้งใจสักสามจบรอบแรกดูดูเฉยเฉย ว่ามันมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันมีความฟุ้งซ่านหรือไม่มีความพุ้งซ่านดูเฉยๆนะแล้วเสร็จแล้วรอบที่สองเปรียบเทียบดูของเราเนี่ยขึ้นขึ้นรอบที่สองพี่ว่ามันน่าจะดูดีขึ้นละรอบที่สามเอ่อมันมันแย่ลงหรือว่าอยอมรับตามจริงว่าภาวะจิตของแต่ละรอบแตกต่างกันยังไงเอาแค่นั้นเนี่ยพี่ว่าไม่นานเราจะรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นขนมรออได้ คือพอนึกถึงการสวดมนต์เนี่ยมันจะนึกถึงความสุขอันเกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงของจิตแต่เดิมเนี่ยมันมาด้วยความรู้สึกว่าต้องทำแล้วมันมันสวดแล้วฟุ้งๆมันฝืนๆคือถ้ารอบแรกมันสวดแล้วฟุ้งๆฝืนๆเนี่ยนะก็ยอมรับไปเพราะมันฟุ้งๆฝืนๆพอรอบสองเนี่ยมันจะรู้สึกสบายขึ้นก็อบอกตัวเองว่าเออมันฟุ้งน้อยลง รอบสามถ้าหากว่ามันสบายขึ้นหรือกระทั่งมีปิติเลยก็ให้เปรียบเทียบอย่าดีใจเปรียบเทียบไปว่าเออมันดีกว่าสองรอบแรกแล้วถ้าหากว่ามันมีแก่ใจจะเอารอบสี่ต่อก็ดูไปก็ก็ค่อยก็คอ่คอยเอาใหม่นะเป็นรอบสี่แต่ถ้าไม่มีแก่ใจก็โอเคก็หยุดก็ได้มันจะได้ไม่ฝืนทําไปด้วยความเพื่อหงือว่าสุดท้ายแล้วลงเอ่ยด้วยความสุขด้วยความมีสติ โอเคค ง, คงได้อีกสองคนนะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกนะค ะ, ะปกติไม่ค่อยได้นั่งสมาธิค่ะเพิ่งจะเริ่มได้ไม่ถึงเดือนจะใช้วิธีสวดมนต์อันนี้นี่จะชอบมากกว่าได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะและเพิ่งจะมาเริ่มเมื่อกี้ที่มานั่งก็ให้ใ ห, ให้กําหนดว่าเอาจิตไปจับที่ลมหายใจตัวเองเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เช็คมือเท้าอันนี้โอเคก็คือทําได้แต่เคยนั่งนั่งอยู่อยู่ที่บ้านคือไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่านั่งมันสะดุ้งไหมมีค่ะ เป็นเหมือนจิตมันอ่อนไหวใช่ไแล้วก็หามือหาเท้าไม่เจอคือตรงตรงที่มันสะดุ้งเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจิตมันเข้าสู่ภาวะเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็จิตเนี่ยมันมีความกลัวมันมันมันมีความกลัวเป็นทุนค่ะกลัวจะนั่งผิดกลัวจะเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวจะอะไรโน่นนี่นั่นเงี้ยนะมันก็เลยเหมือนกับพอเกิดอะไรขึ้นเกิดปรากฏการอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ย มันมันจะอ่อนไหวนะมันจะสะดุ้งง่าย น, นี่คือของคุณเนี่ยคือมันดูเป็นอย่างนี้นะเดิมเนี่ยความคิดมันจะออกแนวแบบความคิดแบบร้อนๆ อ, นอะ่ะนะแต่ตอนนี้คิดเย็นลง<ฆ>เห็นไหมกระแสมันมีสองกระแสกระแสแบบเดิมๆยังมีอยู่นะความคิดหมกมุ่นคุ่นคิดคิดมากแล้วก็แบบคิดไปในทางลบอะ่ะ คิดเป็นในทางร้ายมองอะไรเนี่ยรู้สึกไม่ดีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันก็จะมีกระแสความคิดอีกทางหนึ่งนะมาทำให้มันเย็นลงมันมันสอนตัวเองเป็นนะแล้วก็เหมือนกับคิดว่าช่างๆมันเทอหน้าแต่บางทีมันไม่ช่างจริงมันยังมีคาใจมันยังมีคาใจนะเนี่ยเวลาดูเนี่ยจำไว้เป็นคีย์เวิร์ดนะ ความคิดของคุณมีสองกระแสะตอนนี้นะกระแสะความคิดแบบร้อนๆเหมือนเดิมแบบเดิมๆแล้วก็กระแสะความคิดที่มันเยืองเย็นซึ่งมันเป็นของใหม่ค่ะ<ฆ>นี่ถามว่ามันเกี่ยวพันกับสมาธิยังไงมันเกี่ยวพันตรงนี้ว่าเวลาเราได้สมาธิเวลานิ่งเน่ยมันไม่นิ่งจริงมันจะมีคลื่นรบกวนเหมือนกับคอยทําให้คอยทําให้ยุกยิกอ่ยยุกยิกอยู่ข้างใน เวลานิ่งมันมันมันนิ่งแบบไม่รู้มันนิ่งแบบไม่รู้ตัวคือนิ่งจริงนะแต่แต่นิ่งแบบเออ่ที่สะดุ้งเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เนี่ยเนิ่งเพราะเนิ่งแบบเนิ่งแบบนิ่งแบบแช่แข็งเข้าใจคําว่านิ่งแบบแช่แข็งไหมคือมันเทื่ยงไปเฉยๆนะแล้วพอมันมีอาการวูบหรือว่ามีปรากฏการณ์ทางใจอะไรขึ้นมานิดหน่อยเนี่ย ไอ้เดิมที่มันกลัวอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็มาตอบรับกับตรงนี้แล้วกลายกลายเป็นอาการสะดุง้งซึ่งความกลัวเนี่ยนะถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากความคิดแบบลบความคิดในเชิงลบที่สั่งสมมาเข้าใจพอไหมตัวความกลัวเนี่ยมีโทสะเป็นมูลจำไว้ตรงนี้นะเมื่อ จิตมันมีความคิดแบบร้อนๆหรือว่ามีความคิดในแง่ลบสั่งสมมาเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกระแวงระแวงโน่นระแวงนี่แม้กระทั่งมาทำสมาธิแล้วก็เกิดความรู้สึกกลัวกลัวไปล่วงหน้านะกลัวโน่นกลัว น, ว น, วนี่นี่พอเราเข้าใจพอยพ อ, พอเราเข้าใจไอ้ตัวที่มันเป็นตัวตั้งของปัญหาได้เราก็สังเกตที่ตัวนี้แหละ เมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกพอนั่งสมาธิเอ๊ะมันมีความคิดเครียดมีความคิดรู้สึกมันจิตหดอะ่ะเข้าใจคําว่าจิตหดไหมมันเหมือนจะยุบเข้ามามันมันเหมือนจะรู้สึกว่าเกรง็งเกงเข้ามาให้เห็นว่าเออไอเนี่ยเป็นอาการของความกลัวเป็นเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งที่สะท้อนซึ่งความกลัวมันมามันจะสั่งสมมาจากความกังวลมาจากความคุ้งคล้านหรืออะไรแค่ไหนก็นแล้วแต่ให้แปะป้ายนิยามมันไว้คําเดียวเลย เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าความกลัวเขาบอกตัวเองว่าคือกำลังกลัวเขาบอกตัวเองอย่างนี้เนี่ยมันจะรคลี่คลายอ่ามันจะคลายมันมีมันมีจุดสังเกตที่ชัดเจนว่าเราจะดูตรงไหนอพอเรามีจุดสังเกตที่ชัดเจนว่าจะดูตรงไหนเนี่ยมันพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแม่นไงแล้วมันจะมันจะคลายออกไปเองนะพอมันคลายให้ดูใจมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเหมืนโล่งๆมันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรต้องกังวล แต่พอมันกลับมากังวลอีกก็ยอมรับว่ามันกลับมาอีกนะแค่เราทำความรู้สึกและรับรู้มันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแค่นั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้กระแสะความคิดที่เย็นเนี่ยมันรอเวลาอยู่ว่าทำยังไงมันจะเพิ่มเพิ่มความเย็นขึ้นมาเรื่อยๆอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเหมือนกับพอเย็นแล้วเราไม่สุด เพราะมันมีความกังวลมีความรู้สึกเหมือนกับเข้าใจใช่ไหมคล้ายๆกับวกกับไปวกกับไปหาความร้อนคอยจะวกกับไปหาความร้อนก็เลยใช้สวดมนต์บางทีใช้สวดมนต์ช่วยโอเคทีนี้พอเข้าใจพอยแล้วและเห็นว่าเออที่ตอนที่มันวกกลับไปมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกกลัวความคิดเราอความกังวลความฟุ้งซ่านตรงเนี้ยมันก็จะหายไปนะไปดูที่จุดยอดมันไปอยู่ที่จุดยอดแต่ก่อนจะดูจุดยอดเนี่ย แค่ทำความเข้าใจไว้อย่างถูกต้องแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคุณค่ะปกติก็เป็นคนคิดฟุ้สซ่านค่ะเวลานั่งดูลมหายใจก็เลยรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มัน <ใจ S 1> หนักๆ น, นะนะก็ทีนี้ดูก็แค่ว่าเวลาที่มันหนักๆรู้สึกหนักๆขึ้นมาเนี่ยระหว่างดูลมหายใจเนี่ยแค่สังเกตดูเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะว่าเออเท้ามันเกร็งอยู่หรือเปล่างออยู่หรือเปล่าง้มอยู่หรือเปล่านะ แล้วฝ่ามือเนี่ยมันสบายอยู่หรือเปล่าใบหน้ามันสบายอยู่ไหมคือทุกครั้งจําไว้เลยนะทุกครั้งที่รู้สึกหนักหนักทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกว่ามันเกร็งๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาไล่จากเท้ามือแล้วก็ใบหน้าไปเรื่อยๆไม่ไม่ต้องดูอย่างอื่นนะกลับมาดูที่นี่ก่อนจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มเข้าโหมดพร้อมเวลาร่างกายมันเข้าโหมดพร้อมหน้าตามันเป็นยังไงมันจะรู้สึกเหมือนกับสบายเหมือนกับ เหมือนกับเราเราผ่อนคลายอยู่ในอาการรีแลกซ์นะแล้วไม่กลับมาเครียดไม่กลับมาหนักตรงนั้นนะ่ะค่อยเริ่มไปดูลมหายใจแต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกหนักยังรู้สึกงงงยังรู้สึกเหมือนกับไม่พร้อมเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเนี่อยอย่างตอนเนี้ยรู้สึกรู้สึกยังไงบอกตัวเองถูกไหมก็รู้สึกไม่นิดไงนะมันมันเยอะเลยอะ อไอ้ตรงนี้มันผ่อนคลายพอหัวล็อกแล้วมันผ่อนคลายรู้สึกไหมค่ะลักษณะผ่อนคลายเนี่ยมันถึงจะพร้อมที่จะรู้อะไรได้ตามจริงแต่ถ้าตอนมันยังงงอยู่เนี่ยมันไม่พร้อมจะรู้อะไรเลยแล้วก็กลับไปอหาสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมดูว่าฝ่าเท้ามันคลายไหมหรือว่ามันมันงอมันง้มอยู่ไหมนะป่ามือมันผ่อนคลายไหมเนี่ยตอนเนี้ยมันกลับมารู้สึกตื้อตื้อตันๆใหม่เนี่ย เราก็แค่กลับไปสังเกตใหม่ถ้าถ้าเราเห็นแค่อาการตื้อตื้อตัอตนๆไม่รู้จะดูตรงไหนชัดเจนเนี่ยมันก็จะตื้อตื้อต่อแต่ถ้าเรากลับไปดูเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่เท้าใช่ไหมความรู้สึก ร, รู้สึกไหมว่า เ, ท, าเท้ามันเกร็งอยู่ลองตอบดิเท้ามันเกร็งอยู่หรือเปล่ามันมันผ่อนคลายหรือว่าเกร็งอยู่ก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเกร็งค่ะแต่มันไม่รู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนกัน อ่าเนี่ยอย่างตอนนี้มันค่อยเบามันค่อยเบาลงเห็นความแตกต่างไหมมันค่อยเบาลงจากเมื่อกี้นี้คือมันนิดเดียวแต่ว่าถ้าเราสังเกตออกมันจะรู้สึกว่าเออตอนที่มันเบาจริงตอนที่มันวางจริงในขณะที่ใจเนี่ยรู้ถึงความเบาของเท้าด้วยเนี่ยสติมันจะดีกว่ามันจะดีกว่ากันไม่งั้นเนี่ยปกตินะใจเรามันจะเข้ามาวนอยู่ตรงนี้ไงเข้ามาวนอยู่กับการพุ่งสร้าน แล้วไม่รู้สึกถึงตัวไม่รู้สึกถึงร่างกายไม่รู้สึกถึงจิตใจมันวนอย่างเดียวแต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าป่าเท้ามันผ่อนคลายมันก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วถ้าเราสำรวจขึ้นมาไล่ขึ้นมาที่ฝ่ามือไล่ขึ้นมาที่ใบหน้ามันก็กลายเป็นผ่อนคลายทั้งตัวรู้สึกขึ้นมาทั้งเนื้อทั้งตัวเข้าใจพอยใช่ไหมพอยก็คือว่าทายังไง ตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มก้าวแรกตัยเอาสติเข้ามาอยู่กับความเป็นจริงในภาวะทางร่างกายซึ่งก็สำรวจจากอาการเกรงนั่นแหละสำรวจเป็นจุดๆไม่ใช่สำรวจพร้อมกันทีเดียวทั้งตัวเข้าใจน ะ, ะไม่เป็นไรตอนนี้มันยังขาดเป็นห่วงๆนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกลับไปฝึกทีละนิดทีละหน่อยน ะ, ะเอาละคือ เหตุผลที่ไม่ทําไปเรื่อยๆจนครบทุกคนนะอันนี้ขอความเห็นใจนิดนึงมันเพื่อที่จะทําได้บ่อยๆนะแค่สองชั่วโมงเนี่ยมันยังมีกําลังเหลือเพื่อแต่เอาตอนที่มันยังมีกําลังดีกว่าที่อันนี้หลายๆคนเคยมาก็คงเข้าใจบางทีอยู่ไปหกเจ็ดชั่วโมงอะไรแบบนั้นเนะี่ยมันเ อ, อทําบ่อยๆไม่ได้มันไม่ไหวนะ แต่คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กัมรืนนี้น่าจะเปิดอีกแต่ยังไม่ได้สัญญานะแต่เข้าใจว่าน่าน่าจะน่าจะได้คื อ, อถ้าตื่นเช้ามาพรุ่งนี้มันรู้สึกว่าเออโอเคเนี่ยก็ก็จะก็จะโพสต์บอกทางเพซแล้วก็ค่อยมากันใหม่ก็แล้วกันนี้คื อ, อวันเสาร์วอาทิตย์นี่ขนาดเ <laughs> ย็นวันศุกร์วันทำงาน นี่มาเกินความคาดหมายจริงๆนะเนี่ยตอนแรกกะว่าวันศุกร์วันทำงานเนี่ยจะลองดูว่าจะมาเกินสิบคนไหมเออมันปรากฏว่ามันเกินกว่านั้นเกินกว่าที่เข้าใจเยอะเดี๋ยวก็คงต้องมีเงื่อนไขนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าลิมิตว่าแต่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดอีกทีว่าจะเอาไงเพราะใจผมจริงๆเนี่ยอยากให้มาแล้วก็เหมือนกันได้กันทุกคน เ, นะเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าหากว่า ม, มันมีข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรยังไงก็เหมือนเดิมแต่ว่าคิดไว้แล้วว่าคงจะไม่ใช่ถึงจะต้องลงทะเบียนแล้วก็จำกัดได้แค่สิบยี่สิบคนเหมือนแต่ก่อนคืออยากให้เข้ามาอย่างนี้แหละแต่เข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องนับดูอขอขอนับดูนิดหนึ่งก็แล้วกันมันน่าจะได้ประมาณสี่สิบคนถ้าถ้านั่งเป็มที่ เอาละครับเดี๋ยววันนี้ขออภัยด้วยสำหรับคนที่เหลือนะแล้วยังไงคือคงได้เจอกันอีกแน่ๆ แ, แหละว่าจะทำบ่อยๆ อ, อาจจะติดๆกันเลยถ้าถ้าไหวนะก็สุกเสาร์อาทิตย์ทุกครั้งนะหรือไม่ก็จะมีสุก แ, แล้วก็โดดไปวันอาทิตย์อะไรแบบนี้แต่แต่คงทำได้แบบประมาณวันเว้นวันอะไรอย่างนั้นนะโอเคครับขอบคุณมากครับ